คนเราเนี่ยมันพฤติกรรมของคนเรามันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะมันมีทั้งเหตุปัจจัยภายนอกและเหตุปัจจัยภายในการที่คนเร า, เาจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยนะแม้แต่การทำความดีเนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยเหตปัจจัยหลายอย่าง มันไม่ใช่แค่ความปรารถนาดีนะหรือว่าความตั้งใจดงเดียวนะีวแต่ยังมาสายเหตุปัจจัยอื่นมาเป็นตัวมืนช่วยด้วยอย่างที่เล่าเมื่อสองสมก่อนว่าเมื่อกระเป๋าเงินตกเนี่ยหายเนี่ยวก็มาพบว่าคนที่เก็บเนี่ยนะ จะคืนกระเป๋าหรือไม่เนี่ยให้กับเจ้าของเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ว่ า, ามันมีความเสียสละความปรารถนาดีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นนะมันเรื่อขึ้นอยู่ว่ามีปัจจัยพานว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือเปล่าเช่นถ้ากระเป๋าเงินนั้นเนี่ยมันมีภาพเด็กยิ้มอะละภาพทารกกำลังยิ้มเนี่ยนะโอกาสที่ได้คืนเนี่ย 88% นตใช่ไหมแต่ถ้าภาพนั้นี่ยถ้ากระเป๋านั้นเนี่ยไม่มีภาพไปเลยเนี่ยนะมีแต่มีแต่เงินแล้วก็ที่อยู่ของเจ้าของเงินนะโอกาสจะได้คืนก็ประมาณ 15% บหาเอรต่างกันเยอะไหมสิบห้ากับแปดสินี่ยนะอะไรคือความแตกต่างนะความเวลาคือภาพนะ ภาพเนี่ยมันสามารถจะกระตุ้นทําให้ผู้ที่เจ็บเงินเนี่ยนะเออเกิดความรู้สึก ด, ดีเกิดความสุขและทําให้เกิดความเมตตาเกิดความปรารถนาที่จะเอากระเป๋าไปคืนให้กับเจ้าของนีตัวอย่างมากมายที่มันที่เห็นว่าคนเราเนี่ยพฤติกรรมคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมมากยกอย่างเช่นถ้าอยากจะให้คนเนี่ยบริจาคเงินใส่ ใ ส, ใส่กล่องเนี่ยมันนี้มีความแตกต่างนะระหว่างกล่องที่มีเงินที่เยอะกับกล่องที่มีเงนินได้นอยคุณคิดว่าคุณยากจะเอาเงินบริจาคเงใส่กล่องไหนอ่ะกล่องนะีกล่องเยอะใช่ไหมทั้งที่เนี่ยเป็นกล่องที่บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กตาบอดกันเลยหรือมูลนิธิหมู่บ้านฟามกันเลยใช่ไหมแต่กล่องที่มีเงินเยอะนะ จะมีผลต่อพฤติกรรมของของผู้ของคนเนี่ยมากกว่ากล่องที่มีเงินน้อยใช่ไหมฮะตามออฟฟิหลายแห่งเนี่ยมันมีบริการให้คนเนี่ยชมกาแฟโดยจ่ายเงินเองใช่ไหมและหลายออฟฟเนี่ยพบว่าหลายคนจะชมกาแฟแล้วก็ ไม่จ่ายเงินใช่ไหมก็คนดีทั้งนั้นนะแต่ว่าไม่จ่ายเงินก็พวกมันมีความแตกต่างนะระหว่างการเอาภาพดอกไม้นะมาอยู่มาติดไว้ข้างหน้ามาติดไว้ตรงฝาผนังที่ติดกับโต๊ะที่ที่ทตักกาแฟนะกับคอฟฟี่เมทถ้าคุณเอาภาพเป็นภาพวีทิทัชมานะ กับอีกคราวหนึ่งเนี่ยเอาภาพภาพหน้าคนภาพหน้าคนนะที่เห็นตาเนี่ยนะ mm hmm. ก็เพราะว่ามันจะมีความแตกต่างมากเลยว่าอาทิตย์ไหนเนี่ยาเป็นภาพวิธีทันเนี่ย mm hmm. คุณเดาออกไหมคนที่จะหยอดเงินใส่ใส่ใส่กล่องเนี่ยจะน้อย mm hmm. แต่ถ้าอาทิตย์ไหนเนี่ยดูวันไหนเนี่ยมีภาพหน้าคนเนี่ย ภาพผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ได้ไม่ต้องไม่ได้ไม่ใช่ไม่ต้องมีภาพหน้าจ้องหน้าอายู่นะภาพคอสเชอะนะคนวิจายไอ้คนย้อนส่เนี่ยเยอะแล้วก็ทําวิจยัยเนี่ยเขาเข า, เข า, เขาทําเป็นอาทิตย์เลยนะเห็นเลยนะว่าสลับกันเป็นอาทิตย์อาทิตนะแล้วก็จะเห็นว่าเงินจะจํานวนเงินเนี่ยมันก็จะขึ้นลงตามตามภาพแปลว่าอะไรนะแปลว่าอ่ะเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนะว่าสิ่งที่เราแค่แค่ปัจจัยเดียวนะ คุณแค่ปัจจัยเดียวทั้งนั้นนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะในความทุกคนเนี่ยนะพฤติกรรมคนเนี่ยมันถูกปรุงมันถูกอิทธิพลของปัจจัยต่างๆมากมายใช่ไหมฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเดียวที่เชื่อว่าเนี่ยแค่แค่ปัจจัยแวดล้อมตัวเดียวนี่นะมันส่งผลต่อพฤติกรรมคนเนี่ยในทางดีก็ได้หรือในทางที่เฉยๆก็ได้อันนี้เราพูดเรื่องเรื่องคุณธรรมนะเราพูดเรื่องคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์เราพูดเรื่องความเมตตานะนะนี่เรายังไม่ถึงเรื่องของอ สิ่งที่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณธรรมล้วนๆแต่เป็นเรื่องของทัศนคติความเห็นใช่ไ้ยฮะทีนีไปหน่อยนะสมมติเอ่อเรื่องมีปัญหาเรื่องอัองอ จ, จกรรมะนะในอังกฤษเนี่ยเขามีการทดลองนะ เอาเลือกญ่านที่มันมีอาชญากรรมเนี่ยนะที่มีขโมยมีลักเล็กขโมยน้อยป้นเจีย้ยต่างเนี่ยสองย่านที่ใกล้ๆกันนะไอ้ที่มีสิติอาญากรรมใกล้ๆกันในกรุงลอนดอนแต่ไม่ทราบระยะระย ะ, ะ, ยะห่างระหว่างสองย่านนี้เขาเท่าไหร่นะอาจจะประมาณ5กิโลสิบกลนี่ไม่ทราบญ่านหนึ่งเนี่ยนะเขามีการตัดแต่งจัดตกแต่ง สิ่งววาล้อมใหม่เช่นกระจกแตกก็ซ่อมนะป้ายป้ายโฆษณาป้ายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่แตกก็ซ่อมที่ขีดกราฟฟิตี้นะพ่นสีก็ทำให้สะอาดนะเก็บกวาดขยะรวมทั้งต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ที่เป็นเาเรียกว่าเป็นเป็นสวนริมทางนะเขาเรียกว่าสวนหย่อมริมทางนะเขาก็มีการจัดให้มันดี มีการเจ็บขยะทุ ก, ท, กนะทุกวันนะแล้วทั้งหมดนี้ทําโดยที่ไม่บอกใครไม่บอกไม่บอกคนญาตนินั้นแลว้วเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ดีก็ทําขึ้นมาเนี่ยเขาทำประมาณหนึ่งปีได้แล้วเขาเาสถิติอาญากรรมม า, มาเทียบกันถึงบอกว่าไอ้ญาติญาตแรกที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยสติแต่อาญากำรรก็ยังเหมือนเดิมแต่อายาที่ปรับปรุงตกแต่งใหม่ๆเนี่ยเสด็จอาญากำลดลง ลดลงอย่าเห็ได้ชัดนะคือครึ่งคึ่งไปเลยนะเพราะอะไรเพราะอะไรทาไมถึงลดท่านที่ยานนั้นก็ไม่มีการนิมนต์พระมาเทศอะไรเลยไม่ได้มีไม่มีการนิมนต์พระมาเทศไม่ได้มีการติดคําขวัญฮะมันมีการจัดระเบียบจิตใจไอ้ไอ้ระเบียบข้างนอกมันมาจัดระเบียบจิตใจด้วยอ่ามีมีความให้อีกอีกไหม ฮะฮ ะ, ฮะขัดเกล่าร์ จ, จิตใจอะอะไรนะั่นในการปลอดภัยอะ่รใช่ไหปลอดภัยหรือต้องเหลืก็เท่าเดิมนะก็คือไม่เคยมีตํารวจเท่าไหร่ต่องกลาร์ใจต่องเกลาจิตใจอันนี้เหตุผลหนึ่งนะอีเหตุผลหนึ่งนะก็คือว่าคนรู้สึกว่าย่านนี้เนี่ยมันมีเจ้าภาพดูแล นะเ อ, อมันมีเจ้าพราะมันมีคนเอาใจใส่นะกระจกที่แตกก็มีคนซ่อมนะมันทําให้คนเนี่ยจะรู้สึกว่าทําตามอาเภอใจไม่ได้มันรู้สึกว่าที่นี่มีระเบียบนะแต่ถ้าเกิดย่านไหนเนี่ยที่มีกระจกแตกแล้วโทรศัพท์โทรศัทรพท์สนพังนะแล้วไม่มีใครทําอะไรนะมันก็ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกอันนี้ มันเลยเขาว่ามันเชื่อมโยงนะกับทฤษฎีโรคแคนบินโดของนิวยอร์กนิวยอร์กเนี่ยอาตอมาเคยไปเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วนะโอ้โหมันไม่มีนาคตนเลยนะอาญา ก, กรรมค่าป้นจี้นะทั้งที่สถานรถไฟต่างๆนี่นะและวันดีคืนดีนะ้ประมาณ10ปีที่แล้วมันลดทั่วเลยนะมันลดทั่วมากเลยคนก็แปลกใจเป็นเพราะอะไรบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะตำรวจมากขึ้นเป็นเพราะเศรษฐกิจดีขึ้น นะก็มีคำอธิบายละอย่างแล้วก็มีการหักล้างทฤษฎีนี้นะทฤษฎีาตานเนี่ยแต่มีทฤษฎี ท, ที่น่าสนใจใเพื่อทฤษฎี Window Broken Window คือว่าหน้าต่างแตกคื อ, อในย่านย่านที่มีอัะกรรมเยอะนี้เนี่ยนะก็คือคนปล่อยให้หน้าต่างที่ถูกขว้างฟ้าเ น, นี่ยแตกไม่มีการซ่อมแล้ไปป้ายโฆษณาสัญญาณจราจรก็ปล่อยทิ้งไว้นะ เหมือนกับรวมทั้งไอผนังเนี่ยกำแพงก็มีการฉีดสีพน่นแล้วก็มีใครทําอะไรมาเลยแล้ววันหนึ่งเ่ยผู้ว่าผู้ว่ากรุงนิวยอร์กผู้ว่ า, าการเนี่ยนะกรุงนิวยอร์กแล้วก็กับตํารวจเนี่ยก็เริ่มปวดขันนะตำรวจคนนี้ก็มีชื่อมาตอหลังเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ว า, าการตํารวจแกก็ปวดขันเรื่องนี้มากนะจะต้องไม่มีภาพแบบนี้ และขณะดี ก, การใครทำผิดเล็กๆน้อยๆเช่นเวลาไปถ่ายรถไฟเนี่ยโดดไม่จ่ายเงินจับนะคือเริ่มจากการจัดการกับการฝ่าฝืนกฎหมายเล็กๆน้อยๆ น, นะรวมทั้งจัดการแก้ไขสิ่งว่าร้อให้ดีเนี่ยเพราะกลวว่าเขาเชืวว่อมันมีอิทคิลมากในการที่ทำให้อาจาการรมใหญ่ๆเนี่ยเช่นป้นที่ค่าเนี่ยมันลดลงคือคนรู้สึกว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยมันมี มันมีระเบียบคนเริ่มระมัดระวังนะคนเริ่มระมัดระวังจะทาจาําอะไรตามใจชอบไม่ได้ไอ้ความคิดว่าจะทําอะไรตามใจชอบไม่ได้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความยังช่างใจในการที่จะทําอะไรเรื่องที่ไร้แรงกว่าก็มีคนเขทาทดลองนะเอารถเนี่ยรถที่ที่เสียนี่นะมันก็ว่าเสียไปไปจอดทิ้งไว้ริมถนนนะ ก็เป็นย่านที่ไม่ได้ถึงกับยากจนนะแต่ว่ามันเป็นย่านที่อยู่ในเมืองนะบอกว่าทั้งอาทิตย์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอาทิตย์ที่สองเนี่ยเจ้าเจ้าของเนี่ยผู้ทดลองเนี่ยเขาเริ่มที่จะทุบ ก, กระจกให้แตกไปข้างหนึ่งแล้วเขาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคุณเดาออได้ไหมคนก็เริ่มทุบ ก, กระจกสองสามสีแล้วครั้นี้ก็เริ่มเริ่มขน เริ่มเงี้ยเอาล้อออกไม่ถึงอาทิตย์นะไม่เหลืออะไรเลยนันเลยแต่ตัวถังมันเริ่มต้นจากการที่ทุกกระจกแตกครั้งแรกมันเป็นการเชื้อเฉินว่าเฮ้ยไม่เป็นอะไรทําได้สบายมากคนมันก็ได้ใจไงนะเห็นไหมฮะคือพฤติกรรมคนเนี่ยนะไอ้คนที่อยู่ในในสถานที่นั้นอ่ะสองที่มันก็คนเดียวกันนั่นแหละ แต่มาที่แรกมันไม่ทำอะไรแต่มาที่ที่สอเนี่ยมันเอาใหญ่เลยเพราะมันเห็นว่าทำได้สบายมากมันก็ทำใช่ไหมไม่ควรเข้าใจว่าเนี่ยคนเรานี่นะมันคนเรานี่จะทำอะไรพฤติกรรมคนมันมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามโนธรรมสานึกแค่นั้นนะมันอยู่ว่าสิ่งรอบล้อมเนี่ยมันเปิดทางมันเกื้อกูลมันสนับสนุนนะหรือว่ามันส่งเสริม พลังฝ่ายไหนพลังฝ่ายรูกหรือพลังฝ่ายบวกคุณธรรมหรือความมักง่ายหรือว่างเ้กตัวนะเพราะนี่เรื่องศีลว่าร่อมสําคัญและทํางพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องศีลว่าล้อมมากหลักทําเพื่อศาสนาข้อหนึ่งชื่อว่าสับปะยะสับปะยะแปลว่าสบายภาษาไทยแปลว่าสบายนะและความสบายก็คือนั่งเล่นนอนเล่นนะแต่สับปะยะเพศาสนาเนี่ยสบาย เพื่อจะเลือกทำให้เรียบายมาเกื้อกูลเพื่อที่จะส่งเสริมการปฏิบัติธรรมศัพปญนิกนมี7็ข้อนะหลายข้อเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศบุคคลแวดล้อมสถานที่อาหารอาหารนี่ฉันใช้ว่าทางาเส้นทางบินทบาทหรือว่าบู่บ้านนะที่จะเอื้อเฟื้อนะ คือท่านบอกเลยวนะ่แม้กระทั่งคนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะตั้งใจดีแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเลือกสถานที่ด้วยมงคลสาสิบดเนี่ยนะข้อนึงก็จะบอกว่าปฏิรูประเทสะวาโสจะ ก, การอยู่ในปถินประเทศอันสมควรนะพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ได้เน้นคุณถึงแม้ท่าจะบอกให้ให้ใหใ้มีความเพียร น, นะมนุษย์ร่วงทุกได้เพราะความเพียรอันนี้คือปัจจัยภายในแต่คุณต้องอย่ามองข้ามปัจจัยภายนอก คุณมีความเพียรแต่ถ้าคุณอยู่ในถิ่นที่ไม่ดีคุณมีสิ่งว่าสิ่งว่าเล่าที่ไม่ดีเช่นคุณมีคุณคบคนุมพาดเป็นเพื่อนเนี่ยอันนี้ชีวิตก็ไม่เจริญข้อแรกเลยนะอย่าครบคลุมพาดใช่ไาเซียนราจาะพาเรานาะงสองคบบัณฑิตอันนี้เรียกภาษาสมัยใหม่ว่าปัจจัยทางสังคมนะปัจจัยทางสังคมเนี่ยถือเป็นมงคลสูงสุดข้อหนึ่งนะในมงคลสาแก็มีทั้งว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนนะความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวง นะความไปผููมีเสียรภาวิทยามากแอ้คนนี้ปัจจยัยภายในนะแต่คุณดูนะในหลายข้อเนี่ยเป็นเรื่องปัจจยัยภายนอกไม่พบคนพานคบกันแต่อยู่ในประเทศอันสมควรนะพ่ออะละพระพุทธเจ้าเห็นเลยนะว่าคนเราพฤติกรรมคนเราเนี่ยนะมันอิงอาศัยสิ่งวัลลโอมมากพระเจ้าจึงสั่งอานนท์ว่าอานอนท์อย่าไปคิดว่า กา ร, รยานนิมิเป็นครึ่งของพรหมจรรย์น ะ, ะพระนรินบอกว่ากยายันนิมิตเป็นครึ่งของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าตรว่าการยานนิมิเป็นทั้งหมดของพรหมจรรยพรหมจรร์นที่หมายถึงว่าการปฏิบัติธรรมการเจริญอริยมรรย์ต่างๆหรือว่าการดำเนินชีวิตที่ตั้งมั่นในธรรมที่จะตั้งมั่นในธรรมได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยกยายันนิมิตเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลมาก ด้วยนี้เนี่ยคณะสงฆ์เนี่ยคณะสงฆ์เนี่ยจึงต้องมีวิยัยสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระที่มาปฏิบัติมาบวชนี่นะคนที่มาบวชพระนี่ก็เป็นผู้ที่ฝ่ธรรมอย า, ากจะบรรลุธรรมแต่พูะเจ้าก็เห็นว่าจะต้องมีสังฆะเพราะว่าสังฆะนี่นะคือปัจจัยทางสังคมคือระบบคือสิ่งวร้อน พุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแบบรือสีชีพายก็คือแยกตัวออกจากสังคมหรือว่าไปอยู่ผู้เดียวลำพังถึงแม้จะปรารถนาดีก็ตามพุทธศาสนาจะบอกว่าเนี่ยจะต้องมาปฏิบัติในสังฆะนะสงฆ์นี่เป็นตัวอย่างสง์ก็คือสังฆะนั่นแหละสังฆะแปลว่าคอมมูนิตี้ชุมชนนะเครือข่ายพุศาสนาเป็นศาสนาที่เห็นว่าการปฏิบัติธรรมจะ จะเดิน ง, งอก ง, งานได้ต้องปฏิบัติธรรมท่ามกลางสังฆะซึ่งมีสมเป็นตัวอย่างและสําคัญนั้นเนี่ยจะต้องมีการวางระบบระบบที่ว่าเนี่คือวินยัยเะนั้นคนเราต้องทําสองอย่างที่เจอในก้าวน้านะัคือหนึ่งมีธรรมะสองมีวินยัยพุทธศาสนาเนี่ยสมัยก่อนจึงชื่อเรียกว่าธรรมวินยัยสมัยก่อนเขาพุทธศาสนาไม่มีนะไม่มีในะความหมายที่เราเข้าใจปัจจุบันคือบุติสุ่มนะ พอพุทธศาสนาก็มีมแีแต่ใช้คำแต่แปลว่าหมายความว่าคําสอนของผู้รู้นะอันนี้คือคําว่าพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกแต่พุทธศาสนาในความหมายที่เป็นศาสนาเนี่ยอ ย, อย่างที่เราเข้าจปัจจบันเนี่ยมันไม่มีท่านใช้คําว่าธรรมวินัยธรรมวินัยคือว่าธรรมนะก็คือข้อปฏิบัติตามกฎธรรมชาติวินัยก็คือข้อกําหนดข้อบัญญัติซึ่งเรียกย่อ สรุง่ายๆว่าระเบียบชีวิตระบบสังคมนะวินยัยอย่าไปเข้าใจาเป็นข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเป็นข้อปฏิบัติส่วนตัวนะแต่วินัยถ้าคุณศึกษาดีพบวมันเป็นข้อปฏิบัติเป็นเรื่องความเป็นเรื่องการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับชุมชนทั้งชุมชนที่เป็นสงและชุมชนที่เป็นคาราวาในวินัยนี่จะจะจบอกไว้ว่าเมื่อมีเหตุขัดแย้งเมื่อมีการทะเลาะกันจะต้องทําอย่างไร จะรับสมาชิกใหม่ทำอย่างไรมีทรัพย์มีปัจจัยสี่มันจะแบ่งปันกันอย่างไรนะมันไม่ใช่แค่ว่าไม่ขโมยไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในการแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อทำให้ชุมชนเนี่ยดีขึ้นและเพื่อให้ชุมชนเนี่ยส่งเสริมความเจริญงอกงามหรือธรรมะในใจของบุคคล อันนี้คือสิ่งที่ที่ถูกมองข้ามไปมิติทางสังคมของพุทธศาสนาถูกมองข้ามไปนะและมันไม่ใช่ถูกมองข้ามโดยชาวพูดนะแต่มันเป็นจุดนอนของชาวคนไทยทั้งหลายเนี่ยคือว่ามองข้ามมิติทางสังคมเวลาใครทําไม่ดีนะเวลาคนเวลาเจอคนไม่ดีนะก็มักจะโทษว่าเนะี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนีสันดานชั่วนิสัยไม่ดีแต่ไม่ได้มองว่า ปัจจัยทางสังคมเนี่ยหลอนล้อมส่งเสริมข้อรูปเปล่านะเวล า, ามีข่าวผู้หญิงทิ้งลูกนะผู้หญิงข้อลูกแล้วก็ทิ้งในยายพิยาคนก็ลุมประนามด่าผู้หญิงคนนั้นว่าโหดร้ายนะแต่ไม่ได้มองหรือว่า มันมีปัจจัยทางสังคมที่ส่งเสริมหรือบีบคั้นให้ผู้หญิงต้องทำอย่างนั้นหรือเปล่าเราเชื่อมีไหปัจจัยทางสังคมเช่นอะไรบ้างนะเช่นอะไรบ้างที่ทําให้ผู้หญิงต้องทิ้งลูกนะไว้ในทางขีย้ยะไว้ในห้องน้ำนะขอไม่เพราะที่เป็นส่วนตัวของของของผู้หญิงไหมถูกหลักศีลดำเนินว่าไม่ดีใครใครตำหนิสังคมสังคมตําหนิใช่ไหม การขานนิยมสังคมที่ตำาหนิผู้หญิงนะว่า ส, าส้ำสอนหรือว่ามักง่ายโดยแล้วแต่แล้วก็ตำาหนิไม่พอมีการปิดกัน้นเช่นถ้าเป็นนักศึกษาก็ทำงานห้ามเรียนใช่ไหหรือว่าถ้าเป็นพนักงานทำงานเนี่ยนะเจ้าที่หลงยามมีปัญหานี้ไมไม่มีใช่ไ คือมันจะมีการปิดตรังเกียดในใจแต่กติกาไม่มก็มีการเยียวยามนะยแต่โรงเรีย น, น, นแต่หมาาหาวิทยาลัยเนี่ยนะมันปิดเลยนะนักเรียนเนี่ยนะก็ถูกออกใช่ไหมเสียชื่อโรงเรียนนะคือแล้วก็มันไม่เปิดโอกาสให้คนที่มีลูกเนี่ยนะสามารถจะทํามาหา ก, กินได้สะดวกโอเคถ้าสมมติว่ามีลูกแล้วเนี่ยนะเลี้ยงลูกไปยังทํามาหา ก, กินได้ก็ยงก็ยังดีใช่ไหม แต่ถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไปทำหากินก็นลาบากใครจะเลี้ยงลูกใช่ไหมคือเราจะพบว่ามันมีมัน ม, ม, นมีมันมีกลไกที่ที่ปิดกัน้นที่ทําให้ผู้หญิงที่มีลูกแบบยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่มีคู่ครองเนี่ยเขาอยู่ลําบากใชแต่ถ้าเกิดว่ามีสั ง, สงคมเนี่ยมันมีช่องทางที่รองรับเช่นมีมีมีมูนิธิมีโรงเรียน หรือมีชุมชนที่คอยรับเด็กเอาไปเลี้ยงนะซึ่งเสถียรธรรมสถานเคยทําเคยพยายามทำใช่ไหมคุณไม่ต้องถึงลูกนะคุณก็มาอยู่ที่เสถนธรรมหรือว่าอยู่ที่มูลนิธิแล้วก็มีคนเลี้ยงดูนะถ้าเด็กไม่พร้อมก็มีมูลนิธิที่จะรับเด็กไปเลี้ยงเช่นะถ้าในเมืองไทยจะมีบ้านปักเกตต่างๆเนี่ยคือถ้าสังคมเนี่ยนะมันมีมันมีมนม มันมีสิ่ง ล, ล้อมรอบที่เกื้อกูลการสถิต่ที่เด็กที่ผู้หญิงจะทิ้งลูกเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะฉนะนั้นปัญหานี้จะจะแก้มไม่ได้ด้วยด้วยด้วยการด้วยการสอนผู้หญิงว่าให้รับตัวสงวนตัวเท่านั้นหรือว่าต้องมีแม่ตากรุณานะอย่าทิ้งลูกอย่าอย่าใจไร้ายไส้ระกำอย่าใจไม่ซาระกำเนี่ยมันไม่พอนะคุณต้องสร้างปัจจัยทางสังคมนะสร้างระบบรองรับหนึ่ง จะต้องเป็นระบบที่ไม่ไม่ไม่ผลักดันให้ผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นทิ้งเด็กนะหรือทําให้เด็กทําให้ผู้หญิงที่ไม่มี ท, ท, ที่ท้องในวัยเวียนเนี่ยนะเขต้องเลือกวิธีการแบบนั้นระบบจะต้องไม่ส่งไม่บีบคั้นให้ผู้หญิงทำงานะแล้วแต่การระบบต้องส่งเสริมให้เด็กให้ผู้หิงเนี่ยเห็นทางเลือกที่ดีกว่าการทิ้งเด็กนะมันต้องมี2อย่างนะคือระบบที่ป้องกันไม่ให้ ที่ไม่บีกคั้นให้ผู้หญิงต้องทิ้งเด็กและสองระบบที่ส่งเสริมให้เด็กให้ผู้หญิงเนี่ยมีทางเลือกหรือว่าสนใจทางเลือกอื่นที่ดีกว่าการทิ้งเด็กนะเช่นมีพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยนะคอยดูแลนะเอาพวกเราเคดูหนังเจูโน่ไหนะจูโน่เนี่ยจูโน่เป็นเด็กอายุเป็นเด็กนะักเรีมัธยมสัก ส, สิบห้าได้ไมาแล้วเกิดท้อง แ้าสุดท้ายแกที่แร ก, แก่กตัดสินใจว่าจะทำแท้งอยู่หรือไม่แทง้งสุดท้ายสุดท้ายแกตกลงที่จะเลี้ยงเลี้ยงลูกแล้วก็มีครอบครัวที่คอยดูแลก็ทำให้มีชีวิตที่ไม่ต้องเลื่องในการที่จะต้องทำแทง้งอันนี้เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาเชิงระบบ ซึ่งต้องเกิดจากการที่ตระหนักถึงเหตุปัจจัยเชิงระบบที่ทำให้ผู้คนเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชาววิทการเนี่ยมันมีเคยมีชาดกเรื่องหนึ่งนะไม่ชาดเป็นเป็นคำเทพผู้เจ้าเลยผู้เจ้าเล่าถึงเมืองเมืองหนึ่ ง, งพระราชาเนี่ยกุ้มใจปวดหัวมากเพราะว่าเมือนั้นเนี่ยมีผู้รายเยอะปนจี้ นะแล้วก็ทำรา้ายเจ้าทุกข์เพราะราชาก็เลยคิดว่าปรซาษาก็อธรมาทว่าจะต้องเพิ่มโทษให้แรงขึ้นนะคิดเหมือนกแบบับนักการเมืองทุก ว, วันเนี่ยนะคือถ้าเพิ่มโทษให้แรงขึ้นเนี่ยื่อจะแก้ปัญหาได้เช่นโทษประหาชีวิตนะหรือว่ามีการทรมาร์ดขึ้นนะสมัยนั้นการทรมารไม่ถือเป็นสิ่งที่ผิดนะ คามราณที่มันหนักขึ้นปุโรหิตก็บอกว่าทำเช่นนั้นจะทำให้โจนเนี่ยมันเยี่ยมขึ้นถ้ามันรอดได้มันจะมันจะมันจะฆ่าเจ้าทรัพย์เลยครานี้นะปุโรหิตก็บอกว่าต้องใช้วิธีนี้หนึ่งแจกจ่ายกระจาย มเมล็กพันธุ์ให้กับเกษตรกรให้ทั่วถึงสองแจกเบี้ยววัดแจกเงินทุนนะให้กับพ่อค้าแม่ค้านะที่เขาทำขยันแขันแคงในการทำมาหากินกอสามแจกเบี้ยววัดและเงินเดือนให้กับข้าราชการให้พอเพียงแล้วจะแก้ปัญหาได้พระราชาเขาเชื่อนะก็ทำตามปรากว่า ในเวลาไม่นานเนี่ยโจรขโมยก็ลดลงนะบ้านเรือนก็ไม่ต้องปิดประตูในพระในระเตยพิสก็เล่าว่าเนี่ยเด็กเนี่ยฟอ้อนอยู่บนอกของมแม่คือเด็กมีความสุขด้วยทีละ เ, เรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยนะมันถ้าอ่านดูก็จะพบว่าผู้รเหตเนี่ยคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าผู้งหญ่ผู้เจ้า เ, เห็นว่ามันต้องแก้ดี ว, วิธีนี้ น่าสังเกตว่าปุโรหิตเนี่ยไม่ได้บอกว่าเออต้องเทสให้มากขึ้นนะต้องพาวไปปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะต้องมีโซโลกนคําขวัญ น, นะหรือข้าเนี่ยจะสองประการนะไม่มีนะแต่นี่คือสิ่งที่คนทุกวันนี้ทำกันนะถ้าเป็นอาจารย์กอนย่อมต้องมีคําขวัญมากขึ้นนะหรือไม่ก็ต้องเพิ่มทั่วให้มากขึ้นนะคือเราไม่ได้เรียนจากพระไตรปิฎกเลยนะ แล้วก็นี่กับความที่แบบนี้มันมีมา2อง0้ยปีแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยประเด็นคือว่าปุโรหิตเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เทศ น, นะให้เทศมากขึ้นให้ปฏิบัติทางนมากขึ้ น, าททานแต่ให้จัดระบบนะจัดระบบการกระจายโพัฒนะ์อันนี้เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบอาจจะเป็นเพราะเพราะปุโรหิตเห็นว่าไอ้โจรผู้รายชนชุกชุมเนี่ยมันเป็น มันเป็นผลจากระบบด้วยมันเป็นผลมาจากสังคมแบบนี้นะอันนี้คือว่าเป็นการมองปัญหาเนี่ยไม่ใช่ฟองไม่ใช่มองปัญหาในเชิงบุคคลแต่มองปัญหาในเชิงระบบซึ่งนี่เป็นจุดอ่อนของคนไทยมากนะเวลาพระปฏิบัติตัวไม่ดีเนี่ยก็นึกว่าเป็นเพราะพระรูปนี้เนี่ยนะไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัตินิสัยไม่ดีนะ เป็นพวกสมนีอารัก c ีนะเพราะฉะนั้นแก้ด้วยการเอาออกไปจับสึกไปแล้วก็ไม่สังเกตนะว่าเฮ้ยทำเท่าไหร่เท่าไหร่นั้นมันก็มีผ้าผ้าแบบอารัก c ีมากขึ้นเรื่อยเรื่อยมากขึ้นเรื่อยเมากขึ้นเรื่อยเห็นไปทั่วเลยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเชิงบุคคลนล้นี่เป็นหาเชิงระบบเป็นหาเชิงโครงสร้าง หมายความว่าโครงสร้าง ร, ระบบทําให้เกิดภาพเหลบานี้มากขึ้นเรื่อยๆเหมัอนกัตํารวจเหมือนกันนะตารวจนะตำรวจเนี่ยที่มันตํารวจมีเวลาเจอตํารวจตํารวจที่ทําผิดกฎหมายนะไปป้นจี้เนะี่ยจับคนเรียกข้าไถ่ขายาแลว้วก็เออตํารวจมันชั่วสันดานมันไม่ดีแล้วก็จัดการกับคนเหล่านี้ไปเอาเข้าคุกไปไล่ออกแต่ไม่เค่อยมองนะว่าเอ้ยมันเป็นเพราะระบบของตํารวจเนี่ย มันสร้างคนแบบนี้หรือเปล่ามันส่งเสริมคนแบบนี้หรือเปล่าย้ําส่งเสริมหรือเปล่าถ้าเราเราเองก็คงจะรู้นะว่ามันมันใช่ทีเดียวจะลยบอกว่าที่ไหนที่ไหนก็มีคนเลวไงเราไม่แก้ได้อีกหรอกคุณเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็มีคนเลวนะพนะราาเเเนะเลวก็เป็นธรรมดาใช่ไหมเสร็จแล้วก็้าแค่จัดการกับพระเลวไปจบ นักการเมืองที่เลวก็มีเยอะต่การกับนักการมืองที่เลวก็จบแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะซึ่งถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถจะมองเห็นระดับนี้ได้เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาตัวบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนทั่งเอาไม่อยู่ คนไทยไม่มองกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปโครงสร้างที่การปฏิรูปคณะสงฆ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากนะเพราะว่าไปเห็นว่าเป็นเพราะไอ้ที่เป็ดที่พระที่มีปัญหาเป็นเพราะนิสัยไม่ดีนะเป็นเพราะว่าสันดาลมันเป็นอย่างนั้นเองมาอาศาัยพระอยู่หากินแล้วตอนที่วเวลาเรามองปัญหาเนี่ยเลพราะอยากจะให้กลับมาที่ องค์กรของเราสถานบุคจนของเราเนี่ยโรงพยาบาลก็ดีเนี่ยเวลามีปัญหาแล้วก็ตามขึ้นมาเนี่ยจะไปมองว่าเป็นปัญหาเชิงบุคคลเท่านั้นแต่มองว่าเราพยายามมอง ว, ว่ามันมีส่วนในการระบบส่งเสริมให้มีคนแบบนี้มากขึ้นเรื่าตอนนี้เนี่ยนะเราก็ หลายคนที่ทํางานในโรงพยาบาลก็พบว่าปัญหาการฟ้องร้องในโรงพยาบาลมีมากขึ้นใช่ไหมการฟ้องร้องส่วนหนึ่งเนี่ยมักเกิดจากความบกพร่องความผิดพลาดของบุคลากรในโรงพยาบาลใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความความหลุดหิดนะ การพูดจาการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องการปฏิบัติการพูดคำจาของหมอหรือพยาบาลที่ที่มันทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเราจะแก้ยังไงนะถ้าเรามองแต่ว่ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเรามองต่อไปว่ามันเป็นเรื่องของระบบด้วย ยกตัวอย่างเช่นระบบระบบสุขภาพที่ค่อนข้างจะรวมศูนย์นะเน้นการ้ น, นการเน้นการรักษาไม่อาการป้องกันก น, นะมันก็ทำให้มีคนนแห่มาที่โรงพยาบาลมากขึ้นะอันนี้เรา่อีเป็นเรื่องผู้กำกับนำแลนะ้วระบบที่รวมศูนย์เนี่ย คนที่แห่มาที่โรงพยาบาลมโดยเพราะโรงพยาบาลอเลยเนี่ยก็รับรับเยอะมาถึงโรงพยาบาลจังจหวัดยิ่งหนักขึ้นไปใหญ่ยิ่งมีมีนโยบาย30บาทรักษาโลกเนี่ยก็ทำให้ทให้คนเนี่ยนะมีแรงจูงใจในการที่จะมาโรงพยาบาลมากขึ้นนะเพราะว่าฟรีไม่เสียงเงินใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นการสร้างโดรดสร้างภาระให้กับ บุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นแล้วเมื่อต้องดูแลคนไทยมากๆอย่นะความบกคร่องเนี่ยความครั้งพลา่านะมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะยัม่พูดถึงว่าคนอารมณ์เสียนะเพราะว่าทำงานหนักทั้งวันนะอาจจะพูดจาไม่ถูกหูบ้างใส่อารมณ์ให้กับคนไทยหรือญาติบ้างนะมันก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมา อันนี้ก็เป็นปัญหาให้เวลาเราพูความความขัดแย้งในโรงพยาบาลหรือว่าเรื่องร้องเรียนเนี่ยนะมันก็ต้องมองให้เห็นไปถึงะระบบด้วยแต่ไม่ใช่แค่ระบบใหญ่คือระบบสุขภาพของทั้งประเทศเท่านั้นนะที่ว่ามาสักครู่ระบบของโรงพยาบาลนี้ก็อาจจะมีส่วนด้วยอาจจะมากเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นระบบการบริหารที่มันม่มันมีการรวมศูนย์หรือว่ามันมีการที่ไม่มีความไม่มีการกระจายกระจายงานอย่างเป็นธรรมนะไม่มีระบ บ, บที่ทําให้เกิดส่วนร่วมมีการโฟล์กันระหว่างข้อมูลจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ย พาล้างงานจะตกอยู่คนกลุ่มหนึ่งนะซึ่งอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็ำ น, น, นาจนะเป็นคนระดับล่างนะไอ้คนเหล่านี้พอทำงานที่เยอะเข้าเนะี่ยก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือบางทีในะความผิดพลาดเนี่ยเริ่มมีคนเห็นละข้างล่างก็เห็นลวมันมีปัญหานะก็ส่งนะ ส่งข้อมูลลงไปข้างบนแต่ไปไม่ถึงนะไม่มีการแก้ไขจำานนอยจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ข้างล่างนี่เขารู้ว่าเนี่ยมันมันไม่พอนะมันมันเก่าแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีกลไกที่จะเอาข้อมูลจากล่างขึ้นบนผู้ในการก็ไม่รู้นะหรือไม่สนใจ มันก็ทําให้ปัญหาคาราคาซังและวันหนึ่งเกิดความผิดพลาดอย่างหนักสึงขังข้นมีคนตายอันนี้เดือดร้อนะคือถ้าถ้าถ้าแล้ว ถ, ถ้าถ้าลุงเฮียปา น, นี่นะมีการบริหารที่ทําให้คนเนี่อรักกันสามัคคีกันไอ้การที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้ก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าระบบมันทําให้คนตัวใครตัวมันนะมันก็ทําให้ทหําให้พนัก ง, งานระดับล่างเนี่ย ก็ถูกลอยแพงและสุดท้ายก็คนก็ไม่มีกาําลังใจทํา ง, งานแล้วก็ออกไปทีละคนสองคนคนที่เหลือภาระก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการการแก้ไขการแก้ไขความขัญแย้นในโรงพยาบาลระหว่างบุคลากร่างๆแพทย์กับกับคนไข้หรือญาตินี่นะมันแยกนอกจากระบบการบริหารโรงพยาบาล แล้วมันแยไม่ออกจากระบบบริระบบสุขภาพทั้งหมดนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะจะแ ก, แก้ปัญหาความขัดแย้งในในในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระหว่างบุคลากรด้วยกันหรือว่าระหว่างบุคลากรกับคนไข้เนี่ยอาตมาคิดว่าการมองปัญหาเห็นสาเหตุในเชิงโครงสร้างในเชิงระบบ นะหรือหาปัจจัยทางสังคมเนี่ยให้พบว่ามันคืออะไรมันช่วยมากนะแล้วเมื่อจะแก้ก็ต้องแก้ที่หลักังด้วยนะจะไปแก้เพียงแค่ว่าให้บุคลากรเช่นแพทย์พยาบาลเขามีสตินะแล้วก็มีเมตตาคนไข้พูดนะจาไพเราะนะแค่นั้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ทำอะไรกับระบบเลยพอนะให้ระบบนะมันเป็นตัวสร้างภาราสร้างรางกาักฎตัน ให้กับบุคลากรแล้วก็วนไข้ด้วยทั้งทางตรงและทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นฉะั้นตอนนี้ที่ว่าต้องนั่งคิดกันนะว่าถ้าเราจะแค่หลของขันแจ้งเนี่ยประจ่ายภายในเนี่ยคือบีอิงของของบุคลากรเนี่ยอันนี้ก็จำเป็นนะ ที่เราฝึกกันเนี่ยฝึกเพฝึกให้เราเนี่ยอดทนใจเย็นมีสติแต่เิจารียการไอการที่เราจะเข้าใจเหตุปัจจัยทางสังคมที่ทำให้เกิดปัญหานะทั้งในฝ่ายของบุคลากรั้งในฝ่ายญาติคนไข้ก็ต้องก็ต้องก็ต้อ ง, องมองให้เห็นด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยนะพวกเราซึ่งอยู่ในอยู่ในอยู่ใน อ, อยู่ในองค์กรเองนี่ น, นะน่าจะรู้ดีกว่าแต่ถ้าจะพูดรวมๆสุดในแง่ของหลักการนี่เราค่ดว่ต้องคำนึงสองอย่างนะก็คือการสร้างระบบที่จะช่วยป้องกันความต้องการปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นหรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดและสองเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเราต้องมีระบบที่จะแก้ไขปัญหาและขี้คายความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ถ้าเราคิดแต่จะหาทางแก้ปัญหาแก้ของขัดแยง้งแต่ว่าไม่ได้หาทางป้องกันนะมันก็มันก็แก้ตามแก้นะไม่จบไม่สิ้นในเรื่องของสิ่งมาตรการที่จะป้องกันหรือกฎใจที่ป้องกันเนี่ยนะตระการชื่อว่า อ, อย่างน้อยในโรงเยาบาลเนี่ยนะ ถ้ามันมีการถ้ามันมีการกระจายอำนาจกระจายภาระให้เท่าเทียมกันมีการสร้างฝันและกาลังใจให้คนทํา ง, งานแล้วก็ทําให้คนรู้สึกมีส่วนร่วมมันก็จะช่วยลดความทุกข์ของคนทํา ง, งานปฏิเสธไม่ได้ว่าความขัดแย้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนไทเนี่ยบ่อยครั้งก็มาจากการที่คนทํา ง, งานมีความทุกข์ มีความทุกข์ใสก็เลยระบายความทุกข์ใส่คนไข้ใส่ ย, ยาแล้วก็เลยเกิดปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามันมีระบบเนี่ยมันช่วยป้องกันไม่ให้อย่างน้อช่วยทําให้ความทุกข์มันเฉลี่ยเฉลี่ยกัไปนะหรือไม่สร้างความทุกข์ให้กับคนทํางานมากหรือไม่สร้างภาระกดดันให้ค น, นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากใหการที่จะเกิดความผิดพลาดการที่เกิดความเกิดปัญหากับคนไข้ก็จะน้อยลง นะขณะเดียวกันอนาจร์คิดว่าที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการการมีส่วนร่วมเีนมาสำคัญนะเพราะว่าคนหรือว่าคนทำงานเนี่ยนะเขาเขาจะรู้ปัญหาดีและถ้าเขาเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนนะปัญหานี้เนี่ยไปให้กับผู้บริหารเพราะว่ามีกลไกนะ มีกลไกที่ทําให้ข้อมูลมันโฟลูทั้งจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันก็ทําให้สามารถที่จะป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือบางทีคนที่อยู่ดาวตับล่างนี่แหละที่ไม่เพียแต่มองเห็นปัญหาได้ชัดแต่ว่ายังหาทางออกจากปัญหาได้ดีก็ได้มันมีเรื่องเรื่องอันนี้ยไม่รู้จะคุณจะมองให้โยง ก, กันก็ได้นะกับเรื่องที่ธรรมาพูด เป็นเรื่องของโรงงานผลิตยาสีฟันแห่งหนึ่งนั่นในอเมริกาผลิยาสีฟันเสร็จก็ต้องใส่กล่องนะกล่องใหญ่นะแล้วกล่องก็จะเลื่อนไปตามรางเพื่อเพื่อขนขึ้นรถรถบรรทุกแต่เขาผู้ผลิตเนี่ยเจ้าของโรงงานพบว่าบางกล่องเนี่ยมันเป็นกล่องตาล ม, มันไม่มียาสีฟันเลยแต่ว่า ไม่ีใครรู้นะเพราะว่าทุกอย่างเป็นอันตโนมัตินะพอพอมันมันไหลามาตามสายพานนะมันก็ขึ้นลบไปเลยนะและลูกค้าก็ลองเรียนว่าไอ้กล่องที่ส่งมาให้เนะ น, นี่ยมันม่มียาสีฟันนะก็โวยนะทำยังไงก็พยายามแก้หรืยหลายวิธีนะผู้บริหารก็บอกว่าต้องมีคน มองคุมที่ที่สายพานกลายสายพานแล้วเคยเช็คว่ากล่องลังใหญ่ๆเนี่ยมันมียาสีฟันหรือเปแต่ว่ามันใช้ผมมันใช้คนเยอะิ้เนเปลืงมากนะแล้วบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่เไม่ต้องการจ้างคนเพราะคนเนี่ยมันตามมาด้วยปัญหาหลายอย่างนะเเดือนสวัสดิการสารพัดนะก็ต้องการให้มันเป็น Auto ออโตเมติกก็เลยจ้างเ็งที่บุษามา เดี๋ยวทีาษานี้ก็คิดคนนานนะสุดท้ายก็ได้ไอเดียคือว่าให้ให้ให้มีเครื่องชั่งนะตรงตรงปลายสายพานนะถ้ากล่องไหนที่เบาเครื่องชั่งก็จะส่งเสียงนะเมื่อส่งเสียงเสร็จคนที่ภูมิสายพานก็จะไปมันก็จะหยุดแนละ้วสายพานก็จะหยุดแนละ้วคนที่อ่าคนที่ดูแลสายพานมันก็จะต้องเคลื่อนย้ายกล่องออก แล้วก็รีเซ็ตเครื่องรีเซ็ตสายพานใหม่มันถึงจะเดินต่อไปได้ใช้เงินทั้ง250ล้านบาทโอ้โหล่หล้านก็ทุกอย่างก็โอเคนะแม้จะมีกล่องปล่าโผล่เข้ามานะไอ้เครื่องตักเนี่ยก็จะบอกได้ทันทีนะผู้บริหาก็ดูดูรายงา น, นสายพานแต่ละสายพาน ก็สังเกตว่ามีสายพานหนึ่งนะมันไม่เคยหยุดเลยนะคือหมายความว่าแสดงว่ามันไม่มีกล่องเปล่าเนี่ยลอดมาจนถึงปลายทางเลยสายพานอื่นเนี่ยจะต้องหยุดในะวันละหลายครั้งนะเพราะมีกล่องเปล่าแต่สายพานหนึ่งเนี่ยมันไม่หยุดมันไม่เคยหยุดเลยแสดงว่ามไม่มีกล่องป่าหลุดลอดมาถึงปลายทางผู้แทยก็เอดใจ ก็ไปที่สายพานนะั้นสิ่งที่เห็นก็คือว่าไอ้คนที่คุมสายพานนี่นะมันก็นั่งนะอยู่เล็งสายพานแล้วก็มีพดัดลมตัดใบพัดลมให้คอยเป่านะพัดลมแรงเลยนะ mm hmm. ใช่ไหมแต่ว mm hmm. ามีเอาพัดลมมาทำไมก็บอกว่าเนี่ย mm hmm. ก็ถ้ากล่องเวลามันมีกล่องเป่าพัดลมนี่มันก็เป่าไปซ mm hmm. ผ้ผมที่เกลียดผมที่เกลียดไปไปเซ็ตเครื่องใหม่นะ mm hmm. ก็ให้พัดลมมันทํางานมันซ้ํ สรุปก็คือเด็กคนนี้มันรู้ววิธีแก้ด้วยก็ใช้พัดลมตัวละไ ม, ไ, มไม่กี่ร้อยบาทแก้ปัญหาได้ <c oughs> 1, แล้วเมื่อใช่หนึ่งสาม้อยห้าสิบล้านบาทนะฮะคือคนที่อยู่ข้างล่างคนที่ทํำงานข้างล่างเขรู้นะว่าปัญหามันแก้อย่างไงใช่ไหมแต่ไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยไม่เก็ตหรอกเพราะก็จะเขาจะคิดเรื่องนี้มาซ้อมๆใช้เครื่องจับออโตเมติกนะใช่ต้องอธิายเพ่มในปัญหาของ ผู้บริหารเนี่ยก็คือเนี่ยคือว่าทํางานเป็นยากใช่ไหมแต่ว่าคนที่ข้างล่างนี่นะเขาบางทีเขารู้นะว่าปัญหา ม, มันแก้ง่ายนิดเดียวใช่ไม่มพราะเขาคิดแบบง่ายๆเนี่ยแล้วมันก็แก้ได้มันแก้ได้ดีด้วยปัญหาคือระบบโรงพยาบาลในหลายระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่มันปิดไม่ให้ไม่ให้ความเห็นหรือว่าเรื่องภูมิปัญญาแล้วลกันนะของข้างล่างเนี่ยมันไปข้างบนได้ เพราะมัเนเระบบรวมศูนย์รงพาบาลศูนย์ขออหมอที่ต้องเก่งนะขอขพ อ, พ อ, อหมอเนี่ยเขาถือว่าเก่งนะข้างล่างเนี่ยเก่งสู้ไม่ได้คือระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่ทําให้เกิดความสูญเปล่าทําให้ทําทำให้ปัญหาในการแก้ไขหรือแก้ไขด้วยด้วยด้วยเงินที่แพงมากและลระบบเนี้ยนะนายสมก็ทําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งกับคนกับคนทไายระยะใช่ไหม เพราะนั้นเนี่ยตลาดคิว่าถ้าถึงแม้เราจะมีระบบแก้แก้ไขขวา ข, ขัดแย้งระหว่างคนไข้ขกับโรงพยาบาลดีแค่ไหนแต่ว่าไอ้ระบบ บ, บริหารโรงพยาบาลนนะั้นมันมันไม่ได้แก้ไขมันแย่นะมันก็ไม่ช่วยหรอกนะนั้นเราคิดว่ามันมันแย่ไม่ออกนนะระหว่างระบบแก้ไขปัญหากับระบบการระบบของโรงพยาบาลซึ่งมันจะช่วยเป็นตัวป้องกันได้อันนี้เรืองระบบการแก้ไขระบบการแก้ไข ความผิดแจ้งนี่เช่นมาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ระบบนี่เป็นตัวช่วยนะถ้ามันถ้าเราถ้าเราวางระบบดีเนี่ยมันก็ช่วยช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วนะเช่นทำงานที่จะให้มีการไหลเวียนของข้อมูลอย่างรวดเร็วคนไข้ยากเขามีความทุกข์เขาไม่พอใจเนี่ยนะก็าสามารถที่จะ ก็สามารถที่จะส่งก็สามารถที่จะแจ้งก็สามารถที่จะร้องเรียนมาอย่างโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลก็รับรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีเรสปอนส์ได้ทันท่วงทีเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยพอเรสปอนส์หรือการตอบสนองโรงพยาบาลมันช้าเนี่ยชาบ้านก็ไปเขียนท่าง a c e b o o k บ้างนะไปทําอะไรต่ออะไรมากเรื่องข้อมูลนะทจริงเนี่ยเรื่องข้อมูล การสื่อสารกันเนี่ยข้อมูลกับการสื่อสารเรื่องเดียวกันบ่อยครั้งข้อขัดแย้งเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่ถูกตอ้องการสื่อสารที่ไม่ไม่ไม่ดีพอนะแล้วตั้งแต่การให้ข้อมูลคนไข้เนี่ยนะอย่างหยาบๆหรือว่าอย่างสั้นๆ น, นะหรือว่าอาจจะให้มากแต่คนไข้แต่ก็ไม่มีการทําให้คนไข้เขาเข้าใจปัญหา ท, ที่ที่เป็ น, ปนความผิดปัญหาที่มันเป็นเรื่องของโรคนะที่นานๆจะเกิดขึ้นที นะมันก็เลยกลายเป็นเข้าใจเลยว่าเป็นความผิดพลาดของหมอเป็นความประมาทเลินเลิกของหมอจ้างที่โรคเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่หมอทำงางก็แก้ไม่ได้นะเพราะมันระดับโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยนะอย่างเช่นอีกเคสหนึ่งเนี่ยอที่แม่จันเนี่ยนะผู้หญิงท้องเนี่ยตายเพราะว่าน้ำคร่ำจะมาไปอุดเส้นเลือดเนี่นะระดับโรงพยาบาลอำเภอทำไงก็แก้ไม่ได้นะ แต่คนไทยไม่เข้าใจอญาติคนไทยไม่เข้าใจหาว่าหมอลิศเลิกฟ้องอันนี้ก็เกิดความปั่นป่วนความทุกไปทั่วแล้วมันเห็นเลยนะว่าพอพอ ม, มีหมอถูกฟ้องเนี่ยหรือว่าพอมีหมอถูกฟ้องเนี่ยนะถ้าเกิดโรงพยาบาลนั้นบริหารก็ไม่ดีนะความสุกขไม่เป็นพวกคลองกน ไม่มีคามสุขเป็นพวกพ้องไทก็จะเกิดการชิงนะต่างคนต่างชิงโรียาบาลก็ระแวงว่าหมอนี่จะโยนความผิดมาให้ตัวก็ไม่ไม่ร่วมมือกับหมอนะต่างคนต่างชิงก็กลารเรยเป็นว่าหมอเนี่ยถูกลอยแพอยู่คนเดียวอัตราผู้อานหนังสือเรื่องนี้ยขอตรหน้าว่าหมอฆ่าคนนะของ หมอที่แม่จันหมอเสียงนี่ได้างวันนะรางวันชมหน้าพึ่ ง, พ, งพึ่งพ่งิมพ์เสร็จหมอถูกฟ้องแล้วก็หมอหมอก็ไม่ยอมไม่ยอมความนะยอมสู้นะเพราะว่าไม่ผิดโรคโรคนี่มันน้ำคร่ำเส้นเลือดนี่มันมันเป็นสิ่ที่แก้ไขไม่ได้เป็นใน8ปมนะืนต้องเกิดขึ้นนะแล้วแกก็สู้ เขต้องการเป็นบรรทัดฐานส่วนคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยทีแรกก็ก็ไม่ว่าอะไรหมอแต่ต่หลังมีแลรงยุ่งนะเพราะคงคิดว่าถ้าฟ้องแล้วเนี่ยหมอคงยอมความได้ต้องจ่นะไอ้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้มีการฟ้องขึ้นมาหมอก็สู้แล้วรกฏว่าในสุดก็สู้คนเดียวโรนนนงพยาบาลก็ไม่เอาด้วยเพราะเราแวงว่า พยาบาลก็รอแวนพยาบาลห้องครอบครวก็หมอที่จะดยนความผิดไปให้พยาบาลนะอะไรเนี่ยนะอันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารโรงพยาบาลที่มีปัญหาแต่อย่างนี้ที่กระทรวงในะกระทรวงก็ ก, งก็ร่วมมือก็ช่วยนะก็ช่วยในเรื่องการว่าความการจ้างทนายนะแต่สุดท้ายก็ตกันได้ดีนะก็ก็หมอนี่เเขา ก, ก, ก็ก็พยายามที่จะ ในคดที่สู้คดีก็พยายามที่จะมีคนเตือนว่ายังไงนี่ยอย่าไปมองอย่าไปมองเหยื่ออย่าไปมองอย่าไปมองโจดนะว่าเขาเป็นศัตรูให้หมองว่าเขาก็มีความทุกข์มีเพื่อน่มีเพื่อนมีเพื่อนพออโรงพยาบาลมืงเตือนนะว่าเนี่ยอย่าไปมองเขาเป็นศัตรูนะเขาก็มีความทุกข์นะเขาก็ลําบากนะคนตายก็เป็นชาวบ้านยากจนนะผัวก็จบวาหกนะลูกก็ ก็ยังเด็กนีก็การเตือสติวันนี้เนี่ยก็ทําให้อา่าไม่ไม่มองไม่มองโจดเนี่ยเป็นศัตรูก็พยายามที่จะทํำดีเขาพยายามที่จะสื่อสารกันสุดท้ายเขาก็ยอมความเขาก็ถอนฟอ้องแต่ว่าก่อนจะถอนฟอ้องนี้ก็เกิดเรื่องขี้จาร์ปีสองปีแล้วกเกิดความเกิดความทุกข์มากสามีก็ยานะมีแต่ลูกที่เชียร์ที่สู้แล้วลูกก็เตือนสติแม่ ถ้าเป็นเรื่องที่ดีมากมันก็ทาให้เห็นเป็นเรื่องของทำให้เห็นวงในนะของเห็นวงในของไอกระบวนการกระบวนการสู้คดีกันระหว่งางหมอกับคนไข้ซึ่งก็เป็นประโยชน์ทั้งทั้งตัวคนนอกวงการสาสุขแล้วก็คนในงวงการสาสุขเองเนี่ยแต่ก็ชี้เห็นนะว่าไอเรื่องการแก้ไขความขดแย้งเนี่ยนะในด้านก็ต้องอาศัยระบบที่ดีพอ แต่ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างโจแต่จำเลยนะถ้าถ้าจำเลยคือหมอเนี่ยนะเขาเขาพยายามคุมอารมณ์ได้แล้วก็พยายามที่จะมีท่าทีที่ดีเนี่ยมันก็สามารถจะนำไปสู่การการปรับความเข้าใจกันในที่สุดแล้วตอนกางเป็นเพื่อนกันนะตอนจบจาจำเลยก็เป็นเพื่อนกันนี้ก็เรียกว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าก็ กระบวนการก็ช่้เห็นนะ ว, ว่าปัญหาเนี่ยในกระบวนในในกลไกการแก้ความขัดแย้งเนี่ยโดยเพาในระดับโรงพยบาบาลเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าตัวคนเขียนก็ไม่ได้ระบุนะแต่ว่าอา่อานอา่านดูก็เขาก็เออมันมันมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในแต่ต้องมาคงจะพูดใจทาเทยินนะในเรื่องของอาการแก้ของขัดแย้งของในระดับองค์กรสุขภาพนะ ก็ที่เหลือก็ค่อยซักถามคุยกันแล้วกันมีประเด็นที่ที่ตัวไดียินแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่อยากชวนคุยก็คือเรื่องกลไกนที่ติดกัน้นหรือว่าแน่เลีค้คงลูกเวลาที่เกิดปัญหา คือแมว่าอาารย์จะยกตัวอย่างเรื่องผู้หญิงทองเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเราชอบพูดเรื่องการจัดการความสี่ข้อร้องเรียนแต่ลาเราได้ยินเรายิเรื่องผู้เนี้ยมันมองเป็นลบใช่ไหมมันมองเป็นลบแล้วก็คนละกายเนี่ยมันก็ทั้งปิดกั้นและไม่เยอคะก็ก็คืออยากเกิดนะใช่ไหมอยากเกิดเชียว แล้วก็ขณะเดียวกันพอมันเกิดแนละ้วเียมันถ้าแบบว่าซุกขยะเอาไว้น ใ, นในต้พงได้ไอ้คนที่มันสร้างที่เกิดเนะี่ยมันก็จะเปน็นอางซุกรากของมันก็คือความกลัวจริงจริงมองว่าในระบบสุขภาพของเราเนี่ยคนให้เข้าโรงพยาบาลเขาก็กลัวนะกลัวอวยกลัวไม่ออิีชัยไม่ถูกต้องกลัวเสียเงินเสียทอง กลัวการรักษากลัวไปหมดคิดว่าจริงๆเราเจ้าหน้าที่มีอบอกกลัวนะคะกลัวอะไรกันบ้าคะ่ะขออ่านก่อมองให้ลึกอ่ะมันมีอะไรที่แบบเรารู้สึกเรากลัวแล้วก็จริงๆอย่างก็ยังต้องย้อนกลับมาที่อินทราโพสต์แล้วก็คื อ, อ, อสติใช่ไหมที่จะเห็นตัวนั้นก่อนแล้วตอนถ้าผู้บริหารเนี่ยได้รับรู้ว่า ระบบเนี่ยมันอยู่ภายในความกลัวไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็พอเขาก็สร้างระบบที่ไปสรอรความกลัวมากขึ้นด้วยในฐานะหมอเนี่ยค่ะพระอาจารย์มาตรฐานวิชาชีพเนี่ยมันทำให้ตกกลัวรู้ผิดก็พยายาพูดลุกลามไปถึงเริ่มไปทา ง, งานเรื่องจิตตปัญญาคุแคย์เนี่ยเวลาที่เรื่องการสร้างหอของของนันธินเนี่ยตอนนี้เขาก็พยายามทำเรื่อง C ีเพิร์ตเอ็มมา C พ ซีเพิร์นเนี่ยมันคือชื่อของการติดแพทย์เพื่อชาวชนบทเราก็เลยเอาตัวย่อเนี่ยมาใช้เอ่อซี C. นี่คือคอมพิวเตบอลดดพีเนี่ยแพชชั่นทูลเลอร์ตัวไอเนี่ยคืออินทิวิตี้อินทิวิตี้เนี่ยคือความมั่นคงในคุณธรรมความซื่อสัตย์ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบว่าดูแล้วเนี่ยเวลาสอนสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะสอนเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ เราก็จะบอกว่าอาชีพคุณเนี่ยเป็นอาชีพที่มันส่งผลต่ อ, อ, อชีวิตเออเอร์หรือความผิดพลาดเนี่ยต้องน้อยที่สุดมันก็ถูกปูกฝังมาเนาะด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ใช่แต่อีกด้านหนึ่งมัน ท, ทําให้เกิดความสับสนวุ่มากเลยว่ามันอยู่ภายใต้ความจัดจ้องสมัยที่ตัวเอง เ, ออเข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกแล้วก็ไปฟ้องมือ ฟ้องมือเสร็จแล้วก็ต้องทำมือแบบนี้แล้วก็ถอยหลังเข้าไปชนประตูเพื่อที่จะเข้าห้องเราก็ว่าเราแบบทำถูกเป๊ะแต่เราโดนอาจารย์บอกว่าหมอโดนประตูหมอไปฟ้องใหม่ก็<ๆ>ไม่รู้ว่าแบบว่าอาจารย์เนี่ยทำให้เราเอาแวนมากขึ้นหรือกลัวมากขึ้นแล้วก็มันก็จะมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้มือขาดอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไหม เคยไหมใครเคยถุงมือขาดบ้างเออแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงดีใช่ไหมต้องไปบอกใครไหมต้องจัดการยังไงอันนี้เรื่องมาตรฐานยุทธาชีพกับเรื่องความกลัวลึกๆมันก็เลยทําให้เราเนี่ยหวัน่นไหวเคสที่พระอาจารย์เล่าเนี่ยก็เป็นเป็ น, ปนอันนึงเนาะถ้าในมุมมองของหมอเนี่ยเราก็รู้สึกเรากลัวเราเราหวัน่นไหวแต่ด้วยความกลัวมันก็ทำให้มันพยายามที่จะออกมาอธิบายแล้วก็ดีเฟนต์ตัวเองว่า เนี่ยมันเป็นเคสแบบยากนะมันมเกิดขึ้นเราเต็มที่แล้วนะ่ะยิ่งเราดีเฟนต์ออกไปแบบนี้คนรับสารก็ยิ่งรู้สึกว่าโ อ, อ้รับไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ทราบว่าแบบใครมีประเด็นอะไรคล้ายๆแบบนี้ไหมคะเราอยู่ภายใต้ความกลัวนะคะแล้วลกลไกมันทําให้เรากลัวมากขึ้นอย่างไรมีไหมคะ งงหรือว่าคิดไม่ออกหรือว่าเห็นด้วยแต่ว่าอัางไม่รู้จะพูดอะไรเพราะคืนสารค่ะขอแลกเปลี่ยน ม, มีเหตุการณ์ในในโงรงพยาบาลนะคะประเด็เป็นเคสที่ที่ห้องวัดเหตุฉุกเฉินแล้วคนไข้ค่ะอานนี้ที่ข้างนอกแล้วตามมาตรฐานของห้องฉุกเฉินถ้า ม, มีคนไข้จำเป็นจะต้อง ศีพยาร์้างนอกอะค่ะเขาต้องมีทีมไปสาคนที่มีพยาบาลมีมีวิศวกรใช่ไหมคะแล้วก็มีคนงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้วันนั้นอะคะ่ะคนไข้โครมาแล้วทีนี้นเขาออกไปแล้วไปส่วนทางกันแล้วคนไข้กลับมาที่โรงพยาบาลแล้วเออาไม่มีใครเลยท่านี้นก็เลยเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุการณ์ที่เอามาทุ่มทวนกันใน ในฝ่ายการพยาบาลนะคะแล้ววันนั้นห้องคลอดคือโรงพยาบาลโรงพยาบาล เ, เล็กๆนะคะ่ะ <ๆ S 1> ก็ห้องฉุกเฉินให้บาลชื่อคนเดียวเวรดึกห้องคลอดคนเดียวในหอสองคนเนะะี่ยค่ะแล้วเพรเออในหวดก็มีใส่ชิ้วไม่มีคนไข้หายใจร่มเหลวอะคะ่ะก็ต้องใส่สชิ้วแล้วก็ในห้องคลอดต้องมีทาําคลอดนะคะพยาบาลแล้ว ไม่มีใครออกไปอยู่ไม่สามารถมีใครออกไปอยู่ห้องปเหตุฉุกเฉินตอนนั้นได้แล้วคนไข้มาค่ะแล้วคนไข้ก็เสียชีวิตแล้วเราก็มีข้อรองเรียนคืนค่ะเราไม่สามารถช่วยเขาได้ทันแล้วในฝ่ายการก็ประชุมกันว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เราทำยังไงหนึ่งสามสี่เพราะว่าเขามีมาตรฐานว่า เหตุการณ์แบบนี้จะต้องมีพยาบาลออกเท่านั้นทั้งนีคนแล้วคนตรงนี้ต้องมาอยู่แทนเนี้ยค่ะแล้วก็ประชุมกันว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเราจะแก้ไขปัญหายัางไงก็ทะเลาะกันใหญ่โตว่าใครจะต้องมาอยู่ใครจะต้องมาทำอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะตกลงกันตอนแรกเราก็เข้าไปประชุมด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติว่าว่าตรฐานน่ะมาตรฐานคือมันต้องอออกไปสามคน แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถจ้างคนมาเพื่งให้มันเป็นตามมาตรฐานได้ทําไมเราไม่เอาคนออกไปแค่สองคนก่อนเพราะว่าโรงมยว่าเร า, า, เรามีเจ้าหน้าที่น้อยเงี้ยค่ะถ้าเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกมันก็กลับมาเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นระดับผู้บริหารเขาก็จะมองว่ามองแตกมาตรฐานนะคะพอเราพอเราบอกว่าถ้าสมมติอยากได้ตามมาตรฐาน ก็ให้จ้างคมเพิ่มเขาก็บอกว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบการทุกจีนฉันก็เลยถามว่าแล้วสรุปตกลงประชุมกันแล้วข้อตกลงมันต้องเหมือนเดิมอะค่ะว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่ออกไปเท่านี้แล้วคนห้องคอนก็ต้องมาอยู่แทนหรือถ้าคนห้องอคอนไม่ว่างคนในตึกต้องเข้ามาอยู่แทนคือเหตุการณ์วันนั้นก็นเป็นแบบนี้อะคะ่ะแล้วข้อสรุปมันตกลงเหมือนเดิม วาผู้บริหารกลัวด้วยไหมใช่ส <insane> ุดตอนแรกเขาพยายามถามว่าคือคือมาตรฐานมันสูงแต่เราไปไม่ถึงมาตรฐานเราแค่เววันเดียวเอ้ยเวรดึกเวรเย็นอะค่ะไม่แน่วอกเป็นเวรเช้าเวรบ่ายอย่างเงี้ยค่ะที่มันมีคนเยอะๆเราจะลดลงมาได้ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถทําตามมาตรฐานหรือว่าแนวทางที่วางเอาไว้ได้ค่ะแต่เขาเขาบอกว่ามัน มันต้องทําตามมาตรฐานมาตรฐานคือกลไกลที่ปิดกั้นหรือว่าเกื้อกูลใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเรื่องกลไกลมาตรฐานเป็นกลไกที่มันแบบมันเกื่อกูลหรือว่ามันติดกัน้นน่าสนใจประเด็นนี้ด้วยเนาะมีใครมีมี เรื่องคล้ายๆแบบนี้หรือว่ามุมมองอื่นไหมคะเพื่อเพื่อสะท้อนว่าเออเรากําลังแไขขวนเรื่องนี้แบบแบบที่เสากําลังทํำนีะคะขึ้นค่ะลองดูพึ่งมานั่งตรงเนี้ยคือ <c oughs> มไม่มาเดินไม่ได้ขึ้นต้องเดินคือเป็นทนายความอยู่แผนชุดของมรุชัยอ่ะก็คือถ้ากรณีที่แบบว่ามีออกเหตุแล้วมีพารานงานที่อยู่ในห้อง แล้วรต้อง s t a n d นะคะเราก็จะต้องแบ่งคนคนหนึ่งอะเพื่ออยู่ถ้าออกเหตุก็คือเอาเท่าที่จำเป็นที่จะออกไปบางครั้งเราก็ต้องปล่อยน้องยินดีไปกับคนงานเพื่อที่จะให้มีคน s t a n d a l ที่ในห้องเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ของโชคชัยก็คือขึ้นเรือนมีพยาาลสองคนยินทีคนหนึ่งแล้วก็น้องคนงานนะคะของเราก็จะมีปัญหาในเรื่องว่าคนงานเรา บางครั้งร้องขึ้นขึ้นรถไปเนี้ยมันก็เหมือนไม่มีคนแปลนตายเราก็ต้องยอมที่จะถึงยังไงออกเหตไปอะ่ะมันก็มีโอกาสแล้วว่าจะเจออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่มีคนแปลนตายเลยก็เป็นโอกาสเสี่ยงที่แบบในห้องเนี่ยมันก็ถามว่าคนเดียวพอไหมสําหรับเออาร์ก็ไม่พออยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดกรณีดีดคนไข้ที่แบบชุกเฉินมาเนี้ยค่ะมันก็ ที่ต้องแบบ C T R หรือว่าอะไรเนี้ยมันก็ไม่ทําแต่ว่าคนที่จะอยู่ก็คือคนที่ตัดสินใจได้ว่าเขาจะระดมคนยังไงที่จะให้มาช่วยอะไรเงี้ยปราณนี้ของโชคชัยก็เลยไม่ไดเป็นหัอะไรที่ทำให้ไม่แก้แบบอ๋อด้วยเหมือนกับประสบการณ์ด้วยหรือคะหมาถึงว่าคนที่มีอาร์ส่วนใหญ่จะไม่ใช่น้องแบบใหม่ๆเลยของโชคชัยอะนะ คือคนที่เป็นหัวหน้านเวรอะจะค่อนข้างมีประสบการณ์หมายถึงว่าเรียนรู้กันมาว่าที่ผ่านมาเราเคยเจออะไรัปบ้างแล้วก็เราก็ทบทวนทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรามองว่าไอ้การทีม่มมีคนอยู่ในห้องเนี่ยเป็นความเสี่ยงแล้วคือทุกคนเอาแวร์น่ะในหน่วยก็เลยไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอบคุณเพื่อนค่ะ พี่ว่ามันอาจจะสอดคล้องที่พระอาจารย์พูดคําว่าข้อมูลไหลเวียนกับการใช้อํานาจร่วมถูกไหมคือสองคนสองคนที่เล่าในสถานการณ์จคล้ายกันเนาะแต่ว่าโรงพยาบาลเกไก่เนี่ยเป็นโรงาบาลที่แบบว่าเน้นเรื่องมาตรฐานกับอํานาจเหนือแบบนั้นไหมถูกไหมจ๊าแต่ว่าโรงพยาบาลขอขายเนี่ยก็จะพูดเรื่อง โอเคข้อมูลมาไหลเวียนมีประสบมีเชิงประสบการณ์แล้วก็มีการใช้อานาจร่วมในการไปร่วมกันตัดสินใจกม่ได้กอดว่าจะต้องเป็นมาตรฐานคือมาตรฐานเนี่ยมันก็มีอยู่นี่แต่ว่ามันจะต้องมาวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่อะไรต่างตาเหล่านั้นด้วยก็จะให้ให้สิทธิในการตัดสินใจให้อํานาจคนที่เป็นหัวหน้าเองท่องถุกเชิญอะไรนั้นเหมือนกับนอกเวลาราชการเนี่ยเราเหมือนเป็นผู้บริหารคนหนึ่งเลยค่ะคือว่า เขจะให้นา่ในเรื่องของไม่ว่าทุกๆระบบเช่นน้ําไม่ไหลไฟดับระบบฟองล่มหรืออะไรก็ลแล้วแต่ระบบยางอะไรเนะี้ยทุกคนจะต้องส่งการอย่างที่ห้องเฉยๆทุกคนจะต้องมาบอกอย่างเช่นหมอเปลี่ยนเวรหรือว่ายางจะเปลี่ยนเวรหรือว่าห้องแหลกหรืออะไรทุกอย่างต้องมาสารผ่านเอร์อเลยประมาณนะะี้ค่ะก็เลยกลาย เ, เป็นว่าเอร์เป็นศูนย์รวมที่แต เป็นบัญชาการทุกอย่างเราก็เลยต้องสแสดงมาตลอดไม่ว่าระบบมันมันคับว่าถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยไม่ได้มันต้องอยู่หนึ่งคนอะไรเงี้ยมันมาอย่าใช้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานนะคือมาตรฐา น, นการแท่์เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อประโยชน์คนไข้ใช่ไหมเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีสุดเพื่อความปลอดภัยแต่มาตรฐานนี่เนี่ยส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อป้องกันตัวเอง เพราะว่า้ามันเป็นไปมาตรฐานมันไม่กิดเวอร์เกิมาตรฐานนะก็ฟ้องไม่ได้เพราะว่าุอยากเป็นมาตรฐานเมตรฐานคือเพือกับโรงพยาบาลคือว่าทาให้ ranking D H R ก็อาจจะได้นะฮะนะฮะคือเพราะเรื่องนี้เราก็ดูปชาอิสรกดูมาตรฐานนะฮะองด้วยอคือมันมันถูกใช้เพื่อโรงพยาบาลแต่วัตถุประสงค์เนี่ยคือเพื่อประโยชน์คนไข้ในมาตรฐานเนี่ยนะแต่พอเรา้าใจผิดนะ มันก็เอาไปใช้เพื่อเพื่อเพื่อตัวเองนะเพื่อดิไซน์ตัวเองหรือเพื่อการโปรโมทตัวเองนะซึ่งนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะเพราะว่าม า, าตรฐานนี่มันเป็นเรื่องรูปแบบแต่ว่าคนมักจะลืมเนื้อหาก็เหมืการทําบุญนะทําบุญเนี่ยตัวประสง์หลักก็คือเพื่อช่วยลดความตันนิการให้ทานนะแต่ทีนี้หลายคนเนี่ยทำบุญให้ทานเนี่ยเพิ่มเพิ่มกีมเลยใช่ไหมทำบุญอยากรวยถูกลวยโดยเบอร์เ ทำบุญอยากได้ทำให้สิ่งอยากได้ร้อยถวายร้อยได้ล้านเนี่ยคือมันมันสนทานเราะถึประสงค์การทำบุญอันนี้เรียกว่าถ้าเราทำภาษาผ้าเรียกว่ามันปฏิบัติไม่สมควรจะทำนะคือว่าไปจับที่รูปแบบโดยลืมเนื้อหาสาระแล้วก็เลยไปกันผิดผิ ด, ผ, ดผิดทางันเลยอันนี้คือปัญหาที่ในยุคปัจจุบันที่คนเราไม่ค่อยเขาจะอะไรคือสาระอะไรคือรูปแบบถ้าเชิญ จเรียนนะคะหัวหน้าฝ่ายการค่ะอาจารย์ขอพิ่มเต่ตรงนี้นิดนึงว่าทางของโชมชัยก็คือถ้าถ้าจะวิเคราะห์ว่าทําไมพิ้นมีการตัดสินใจได้ที่ที่หัวหน้าเรือ เ, เพราะว่าเหมือนที่ผู้อาจารย์บอกค่เพราะว่าโชคชัยมีการ อ, อวางระบบว่า ม, มันมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมเนะีคือเวลามีปัญหาเนี่ยเราให้เราให้บุคล า, ร า, รากรเนี่ย แต่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแล้วก็มีอำ น, นาจในการตัดสินใจซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถูกวางไว้ตั้งแต่ผู้บริหารคนเดิม้าที่ทําให้อญหาอะไรนี้ทําให้คนที่อยู่ระดับล่างค่ะมีส่วนร่วมคิดแล้วก็มีอำ น, นาจมันที่ขึบอกว่าเพราะว่าตรงนี้มันถูกมอบหมายตั้งแต่ระดับผู้บริหารเลยว่าคนที่อยู่ในเป็นหัวหน้าเดนเนี่ยมีอำ น, นาจในการตัดสินใจณตัว น, นั้นซึ่ง ที่เขียนไว้ในโปรตโตคอลหรือว่ามาตรฐานบางทีมันต้องปรับเปลี่ยนค่ะ ใ, ให้เป็นไปตามอณนะตอนนั้นที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนไทยโดยเฉพาคนไทยเป็นศูนย์กลางค่ะแล้วก็ทําให้ของโรงพาบโชคชัยเนี่ยพนักงานจะมีหน้าจตัดสินใจสูงมากแม้แต่การเนีย ก, กระตางกำลังเพิ่มค่ะซึ่งหลายโรงพาบาลทํานี้ไม่ได้ค่ะแต่โชคชัยเนี่ยพนหน้าเนมีสิทธ์เอ า, าการางกำลังมาเพิ่มได้เลยโดยที่ เขียนเป็นปโปรโตคอเข้าไว้ซึ่งต่างจากหลายโรงพยาบาลซึ่งอำน้าตรงนี้อยู่กับผู้เมกการเท่านั้นนี่ยจะเห็นว่าเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่ า, าการแก้เรื่องความขัดแย้งต่างๆเนี่ย ถ, ถ้าเราใช้อนานาจรวมโดยการาคิดแบบระดับล่านขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ส่วนตัวกับคนไข้ทีนี้เหมือนการออกไปให้ง้อของเราเนี่ยเราใช้หลักของสกู๊ตแอนลันเพราะว่าโรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยการที่เอาคนออกไปเยเอะ เขสเตนเพย์คือไปทําที่จุดเกิดเหตุมันจะมันได้ประโยชน์น้อยมากจากนั้นาการเอาคนออกไปน้อยแต่ว่าไปเอาคนไข้ที่เข้ามาแล้วาช่วยท้างในเนี่ยจะปลอดภัยกว่าอาย่างนี้ค่ะก็ทําใหอ้อันนี้ ม, มาจากผู้ปฏิบัติงานการซึ่งพอคุณสมเดตรงนี้มาซึ่งผู้บริหารก็เห็นด้วยไม่จําเป็นต้องออกไป3คนนี่คเพราะสะัคู่แอนไลน์มันมแค่คนเดียวกับคนงาน น, านี้ก็พอใครลักษณะอย่างนี้ทําให้การบริหารของเราเนี่ยเหมอนเหมือ น, นว่ามันคล่องตัวขึ้นเนื่องจากว่า เราปรับเปี่นโครงสร้างเชิงหน้าจากข้างบนลงมาจากเป็นคกตงขึ้นไปอย่นี้ค่ะค่ะอยู่ในสโคปแอนด์ลันสคปแอัสคปสปแปลว่าไปตักค่ะอ๋อสรคปคือตักเราเี้กว่เข้ามาเลย่มต้องไปเท่าคนออกไปเลยหลายคนแสดงว่าเราจะเป็นสเกนทีคือไปไปไปซีพอาที่ัโน่อย่างนี้ซึ่งในโรงพยาบาลนี้ทำตรงนั้นได้ยากมากเนื่งากไปไปใส่ทิวก็ไม่ได้หรือว่าจะทาดีฟิก็ไม่ได้เนื่องจากหมอไม่ออกไปด้วยค่ะ เทวันออกไปก็ไปตัดแล้วเอาเข้ามาอยู่ในพีอาจะมีกว่าเ น, นี่ยค่ะช้อนอะไะช้อนอนี่แบบกระต๊อกเลยเออพี่พี่อยากชวนคิดลึกแล้วก็จะได้ถามพระอาจารย์เรื่องเมื่อกี้ที่พูดเรื่องความซื่อสัตย์หรือคุณธรรมความซื่อสัตย์ในคุณธรรมใช่ไหมอืม กลับมาเรื่องมาตรฐานวิชาชีพหรือว่าเรื่องของแบบว่าอะไรต่างๆที่เราคิดว่าเราควรจะต้องแบบว่าแม่นอะ่ะแม่นแล้วก็ไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดที่น้อยที่สุดซึ่งเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะว่าเรืประโยชน์ต่อผู้ป่วยใช่ไแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เรามีความกลัวกลัวนี่แหละกลัวแบบว่าถูกตัดสินถูกตาว่ากลัวกลัวความผิดพลาด ือวัวไปประกาศว่าผิดพลาดเอ่อทงที่ต้อเข้าใจเนี่ยอินทิกริตี้หรือว่าความมั่นคงในคุณธรรมหรือความซื่อสัตย์เนี่ยมันจะต้องให้เราเนี่ยสามารถที่จะยอมรับผิดหมายถึงว่าผิดแล้วเรายอมรับผิดคือความมั่นคงภายในของเราต้องสูงพองที่จะบอกว่ามันผิดแล้วก็คนภายนอกอะ่ะก็ชื่นชมคนที่รับผิด ตัวนี้ค่ะมันจะสร้างให้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือใครมีกรณีตัวอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่แบบอ่อนๆนิดนึงนะจ๊ะตอนนี้เป็นเรื่องของโูมิปางเดกนะที่กำลังถูกมีเรื่องของเรียนอีที่มีคำถามนิดจ้ะอาจารย์กำงะถามอาจารย์ว่าคํร า, าว่าคำว่าตัวตนหรือว่าอัตราบรรลที่ติของทีม ปริมาณไก่เกี่ยความตัดแยง้งมันจะส่งผลต่อการจัดการความตัดแย้งอย่างไรเพราะว่าเดิมทุกคนจะมีเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามีไม่ได้ตัดนความตัวตัวว่าฉันผิดตัวว่าฉันทำไม่ได้มาตรฐานตัวถูกร้องเรียนตัวมีหน่ น, นแล้วพอเวลารวมตัวกันเราก็จะเอาความตัวมารวนกันจากทีมนะคะที่เห็นท่าแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เห็นท่ามขมวดหน้าตารต่ว่าเห็นประมาณ น, นี้เหมือนละ พวกเราเพวกแต่ว่าเป็นพวกที่ไม่ใช่พวกแบบพวกใ น, นพวกเดียวอะไรนี่จะร่วดกันบบจากชาะประมาณนี้บบนเนมีความความรู้ึว่ามีคำถามในใจค่ะถ้าเกิดว่าทีมจากการทาแัดแย้งจะมีอบาตาตัวตนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ทีมทีมที่เรียกทางพู้จัดทีนี้ผู้ใชคําว่ารักรงเปียบาร์อ่าเป็นส่วนหนึ่งรากลงเปียบาค่ ะ, คะแล้วจะมีผลต่อกัน แก้ไขความขัดแย้งอย่างไรเพราะมันมันรับซ้อนมากในเรื่องของการที่จะไปให้ให้ยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับเนี่ยป็กันคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้เนี่ยหรือว่าโจกัตําเนยเนี่ยถ้ามาว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อกันและกันพฤติกรรมของคนไข้เนี่ย ส่วนก็อยู่ที่พฤติกรรมของหมอใช่ไหมคนเราเนี่ยนะพลังไฟโบรปองเราไลรบของเราเนี่อะไรจะเป็นใหญ่เนี่ยส่วนหนึ่งนะขึ้นอยู่กับการกระทำของฝ่ายมด้วยนะใกล้ฝ่ายทีดีกับเราเนี่ยนะมันก็ไปปลุกพลังไฟโบรของเราให้ขึ้นมาจนมาทาั่งยองอ่อน มันมีตัวอย่างที่ตมาเน้นเมื่อครั้งเราอย่างนักธุรกิจคนหนึ่งแกแกขับรถเนี่ยบนทางด่วก็ขับแบบสบายๆนะจู่ๆคุ้นในรถอีกคันหนเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรปาดหน้าแซงเขาก็ปาดไป่ล้วพอด่าด้วยนะทั้งรถอีกคนนั้นก็โกรธก็ตามเพื่อที่ดะ ป, ปาดคืน ระหี่รถเนี่ยมันมันมันพันกันแล้วนะแล้วก็เริ่มขบนายกันเนี่ยแ ล, แล้วจึ่ๆแล้วจู่ๆงั้นก็เริ่ม ก, กดกดกระจกลงแล้วเตรียมจะ ด, ด่าไอรถอีกคันหนึ่งเนี่ยมันเห็นรถอีกคันหนึ่ ง, งกดกระจกแล้วเตรียม ด, าด่าเหมือนกันเตรียมเลยแล้วจู่ๆแล้วจู่ๆก็งั้นแทนที่จะ ด, าด่าแกต้หลุดตาขึ้นมาผมขอโทษไอหมอแล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ย ทุ่งเตียงจะด่าอยู่แล้วเนี่ยพอได้ยินเนี่ยแกก็บอกผมขอโทษนกันทันทีเลยนะจะด่าแล้วนะเสียพออีกคนพู้ขอโทษเนี่ย <c oughs> พลิกเลยนะจีนมันพลิกเลยนะซึ่งมันเร็วมากนะจากความต้องการจะแก้แค้นคือ ด, าด่ากล่าวเนี่ยมันเร็วเลยขอโทษถึงตอนนี้เนี่ยต่างคนต่ว่าคุณไปก่อนอีพันนี่บอกคุณไปก่อนะอีกคนนก็จะบอกคุณไปก่อนเมื่อกี้เองยังแย่งคืนถึมันอยู่เลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเออเออให้คนไปก่อน แต่นไหคุณเห็นในนิสัของของจิตคนนะมคือมันมันพิชได้เร็วมากะคนที่อยากจะด่าเนี่ยแต่พออิฝันขอโทษนะไอพลังฝ่ายบวกก็ขึ้นมาแทนแล้วก็เลยขอโทษแล้วก็มีแม่ตายมีเคสหนึ่งเนี่ยมันมีการการผ่าตัดเด็กคนหนึ่งแล้วก็ทีมผ่าตัดก็ก็ทําเต็มที่นะพรากว่าเด็กตายนะ ก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าการผิดพลาดอะไรนะหมอในทีมผ่าตัด น, นะออกมาแล้วก็เอ่ยคำขอโทษแม่ที่น่าห้องผ่าตัด น, นะในเวลาต่อมาเนี่ยแม่เนี่ยก็ฟ้องทีมผ่าตัดคนนเ ย, ยกเว้นหมอคนนี้ทนายความของหมอเนี่ยก็แปลกใจว่าทำไมไม่ฟ้องหมอคนนี้ ก็ไปถามหมอที่หมอบอกผมว่าในทราบเขาไม่มีการคุยกันหลังจากนั้นไม่มีการเจรจากันเลยทนายความก็เลยไปไปถามแม่ของของเด็กที่ตายจะพูดว่าเนี่ยพกพราะเขาเป็นคนเดียวที่เห็นใจเขาเป็นคนเดียวที่นะที่มาขอโทษคือเห็นใจคือตามาชื่อว่าถ้ า, าว่าเราเนี่ยนะมีความเห็นใจฝ่านะอีกฝานนะ่กฝายนึงเนี่ยนะ มันก็มีแรงบงคิบเห็นใจกับคืนมาหรือว่าทำดีกับคืนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเ ว, เวลาเวลาเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมานเนี่ยสิ่งที่ทุกคนสิ่งที่สิ่งที่ฝ่ายหมอพยาบาล น, น่ยจะมีคือว่าการปกป้องตัวเองตรงนี้แหละที่อัตตาขึ้นมาแทนที่จะเปิดใจรับความทุกข์ของอีกฝ่น่งถ้าเป็นสตางที่เราเปิดใจรับรู้ความทุกข์ของอีกฝ่น่งนะการขอโทษมันจะออกมาเอง แล้วการขอโทษของเราเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยนะอ่อนลงนะนต่อมาพราว่าการทําดีกับกับคนนะการทําดีกับคนที่ทำตัวไม่าน่ารักเนี่ยนะมันสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใได้ตอนนะี้คนมีคนค น, นึงเนี่ยนะบ้านที่ติดกันบ้านเขาเนี่ยทางบ้านเนี่ยนะมันเป็นมีการก่อสร้างสร้างตึก แล้วคนงานก่อสร้างก็ชอบทิ้งขยะลงมามากองที่สนามยาหน้าบ้านเขาเขาก็ไปโวยไปโวยพวกคนงานไปโวยโวยคนงานไม่สําเร็จก็ไปโวยโคแมนไม่สําเร็จก็ไปโวยพูดรังเหงา่าพูดรังเหมาตอนหลังก็คีบขู่ว่าจะเรียกตำรวจมาเล่นงานไม่สําเร็จนะแล้ววันหนึ่งเขก็ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมเวลาสงการตีหมายไม่เอาของไว้ให้เขา เอาของกาแฟให้เขาเอาขนมไปให้เข า, เ า, ขข า, เขาทีแรกก็ไม่เชื่อแต่ต่หลังเออลองทําดูนะพนะอปีใหม่ก็เอาของขไปให้เทศปีสงกรากนต์ก็เอาของไปให้มีอะไรมีอะไรก็ไปให้เจอแต่หน้าปักใา่ก็ทัดทายฟรีเลยพอพว่าพอเป็นเพื่อนกันแล้วนะผมก็ว่าไอ้ของที่ ท, ทิ้องออกมานะหายเลยก็รานะอะไระพราะไอ้แบบที่ไ ม, ม่มีคนเยอะมีเยอะนะ มีอีกลายนึงนะขายขายแกขายของจัดติดกันแล้วก็วันไม่นนานต่อมาก็มี ม, มีมีพ่อค้าคนใหม่เนี่ยมาเซ้งร้านที่ติดกันร้านที่ติดกันมาวันแรกนี้ก็ก็ออกเลยเลยนะเอาป้ายาที่ขายทุกอย่างนนะมาบางหน้าร้านเราก็มาอันหนึ่งในสาม เจ้าของร้านคนนี้นะสมมติชื่อกอกไก่ก็ได้นะเขาก็ไม่พอใจแต่ว่าเขารู้ว่าไปวลลัวเนี่ยไม่ได้ประโย่น์อะไรแล้วันสองวันต่อมาวันสองวันต่อมาเนี่ยนะเข้าไปข้างเขาออกไปข้างนอกเขากลับมาที่ร้านเขาก็ซื้อส้มกับองุ่นสองกิโลแล้วก็มาที่ร้านขอขยข่านี่ยเขาบอกว่าเนี่ยออกไปข้างนอกนั้นเมื่อกี้เห็นเข้าขายผลไม้นะ อร่อยนะ่ากินก็เลยซื้อมาฝากเพราะคิดว่าเพื่ อ, อนชอบแกบอกให้งงเลยไม่เป็นไรนะแกบอกเกรงใจแกบอกไม่ต้องเกรงใจนะเราบ้านเพ <c oughs> ื่อนบ้านกันนะมีอะไรต้องช่วยอลไรกันเหมือนกัพี่กับน้องนะลหลังนั้นก็เริ่มคุยกันดีนะคุยกันดีอลไรนะเหมือนกับรู้จักกันมา น, นานว่ารุ่งขึ้นเปิดร้านแล้วก็บอกว่าไป้ายนันหายไปเลย แกก็เลยไปในก๊อสเลยวถามในขออาเคียไอ้ไฟเนี่ยคือนาร้านหายไปไหนขายได้หเล่าเขาอกยังขาย ไ, ได้หรอกนะแต่ว่าตังค์ตรงนั้นมันน่าเกียดบางบางร้านเฮียเดี๋ยวลูกค้าเี่ดมองไม่เห็นผมก็เลยมาไว้ข้างในนะคือเห็นไหมเนี่ยที่จะาบอกว่าเนี่ยเอาชนะความชั่วด้วยความดีเความเาชนะความดีด้วยการให้คือแต่ละคนเนี่ยมันมีทั้งความดีและความความไม่ดีในตัวนะ แล้วเวลาเราทำความไม่ดีเนี่ยนั่นเ็เพราะว่าความไม่ดีเนี่ย ม, มันมีชัยหรือความดีในใจสิ่งที่เราควรทำคือปลุกความดีเข้าขึ้นมาและการที่เราปลูกความดีเข า, ข า, าขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่สอนเขาไม่ใช่เทศนาท ส, สอนเขาแต่ทําความดีให้เขาใช Grab? ความดีที่เราทำํำเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการการอดยื่นเมตตาจิตให้หรือการขอโทษเนี่ยมันก็จะปลูกพลังฝ่ายบวกเข้าขึ้นมาแล้วเราคิด ว, ว่าเนี่ยคนไข้เนี่ยกับพยาบาลเนี่ยกับหมอเนี่ยนะ ดันนิมิกเนี่ยปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันขึ้นกับเรื่องนี้มากทีเดียวใช่ไหมอย่างที่ตัวอย่างล่าสุดธรรมะเล่าเนี่ยนะตอนหลังนี่เขาก็พยายามนะพยายามเขาแคสยงไงเขาพยายามมีคนมีคนเตือนให้ยังไงอย่าไปหมอเป็นศัตรูพยายามสุดท้ายเขาก็ถนฟ้อ ง, อ, งอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ว่ายัางไงหมอหมอเขไม่ผิดนะแล้วก็หมอไม่ฟ้องคืนนะคนบอกว่าฟ้องกับคืนเลยใช่ไหมก็ไม่ฟ้องแล้วเป็นเพื่อนกัน มันไม่ใช่มันไม่ใช่เพียงแค่ชนะความนะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าคดีจบแล้วแต่ได้เพื่อนในม่หนึ่งคนนะั้นเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยปัญหาที่ทำอะไรทําให้อะไรทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะรับรู้ความรู้สึกของเขาได้ว่าเขาทุกข์อย่างไรก็เป็นเพราะเราคิดตัวเองดีเซนต์ัวเองก็อย่างที่เมื่อวานนี้พูดเนี่ยหลวงวัสือที่บอกว่าเวลาเราที่เวลาคนแค่เขามีเขามีเขาเมองวอยวายเราเนี่ยเราก็จะพยายามอธิบายว่าให้เขาเข้าใจว่าทําไมเราทำอย่างนั้น แต่เราไม่พยายามที่จะเข้าใจว่าเขาทุกอย่างไรใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยถ้าเราพยายามเปิดใจว่าเออเขาเขาทุกอย่างไรเนี่ยพยายามเข้าใจเขามากกว่าพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจเราสำคัญมากเลยนะฮะถ้าเราพยายามเข้าใจเขาเนี่ยนะมันมันจะทําให้เขาเข้าใจเราได้ง่ายแต่ถ้าเราพยายามจะชี้แจงให้เขาเข้าใจเราเนี่ยนะโดยที่เราไม่เข้าใจเขาเลยนะเขาก็จะไปเราเอาตาตาไปชนเขาใช่ไหมเขาก็อาตามาชนกับเรานั่นเองใช่ไหม พอเราเอั้อัตราขึ้นไนะเขาชัวตรตายที่มันเลยทันทีแต่ถ้าเราลดอัตราลงมาเนี่ยโอกาสที่เขาจะลดลงมาก็มีและการที่เราจะลดอัตราได้คือการที่เราเปิดใจรับรู้ความทุกข์ของเขานะีอย่าพูดเราะอย่าพูดไม่ต้องพูดสถิตินะแต่พูดว่าเรารู้สึกรู้สึกว่าเราสึกรับรู้ความทุกข์ของเขาในการที่เราเพียงแค่บอกว่าเรารับรู้ความทุกข์ ข, ของเขาที่มันช่วยเขาได้เยอะเลยแต่พอเราสถิติเอาตัวเลขขึ้นมาพูดนะว่าเคสแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสเสียงอ่า มากทีเดียวเนี่ยคนเนี่ยเขาก็จะเอาเขาจะเอาอัตรามาชนกเราเหมือนกันเพื่อนๆที่มีโอกาสไปวันที่พระอาจารย์ไปแสดงคำที่สังฆบูรามันเฉลยมานแล้วนะคะคงจําได้ว่ารุ่งในการโรงพยาบาลคอควายเมื่อกี้มีกอไก่เข้าไโรงพยาบาลคอควายที่มาเล่าเรื่องแคสที่ฟองร้อง ใช่ไหมคะแล้วก็ไปไปไปโพสทางเฟสด่านรงพยาบา ล, ลท่านก็เลยเชิญยาคุณไข้อะไรต่างๆเนี่ยมานั่งฟังแล้วก็เรียกหน้ากันมาเลยหมอขมอสามแผนกพยาบาลทุกแผนกมาเพื่อที่จะบอกว่าเราทําเต็มที่แล้วเราเฮิร์ตนะเราคือโรงพยาบาลเจ็บนะที่มาทํากับเราอย่างนี้เราทําเธอเต็มที่ดีแบบ แต่แล้วก็จบด้วยกลับไปด่าซ้ำอีกวันนั้นพระอาจารย์นั่นฟังอยู่พระอาจรก็นั่งหัวเราอ น, นะคะแต่ว่าดูได้เฉลยไปบอกเขาแล้วอะอันตาขึ้นมาเจอกันทีนี้เรื่องของจุ่มเนี่ยก็ก็มีเรื่องโรงพยาบาล ง, งองเอออันนี้อัน น, น, นี้อันนี้บอกชื่อได้ก็ก็ก็ม้วนตัวอยู่ในกลุ่มลูกศิอาจารย์สุ่ยยังไงคะซึ่งพี่ก็ตามฝรั่อยู่ อันนี้บอกชื่อได้เพราะว่าเขาอนุญาตแล้วโพสต์ทางเฟสแล้วสูงเนินสมาชิกสุงเนินยังอยู่ไหมคะ่ะอาอนั่งอยู่ตรงนี้พอดีเอ่อหัวหน้ารายการของหนูใช่ไหมเล่าเรื่องคือปีที่แล้วปีที่แล้วก่อนอเข้าวงการเอ็น NBC, ีซีฉีดวัคซีนผิดโดนฟ้องโดนแม่ฟ้องแบบเป็นเรื่องนะคะแล้วก็ ทีมไก่เกี่ยวของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีพลังอย่างที่จุบมว่าเลยคือเราต้องช่วยกันนะโรงพยาบาลเราเวลาที่คุณพี่เธอมาเล่าเนี่ยเธอเล่าด้ความภูมิใจว่าตั้งแต่คนขับรถสหวิชาชีพรวมทั้งพอ อ, อทุกคนใส่ใจแล้วก็พุ่งออกไปแล้วโรงพยาบาลเพื่อแก้ปัญหารเรื่อง จริงมานเป็นการรวมพลังที่ดีนะทำให้โรงพยาบาลรักกันมากเมื่อมีเคสแบบนี้นะคะแต่ว่าเธอไม่ได้รับรู้เลยว่าหนึ่งคนฉีดยาผิดเนี่ยทุกมากที่หลายๆคนต้องมารวมพลังเพื่อเธอลึกๆเขาถูกเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาไปทำให้คนทั้งโรงพยาบาลและผ้าพรัจโรงพยาบาลเนี่ยเสียสองคนไข้ก็ไม่แฮ ppy ทีที่เนี่ยพยาามไปชี่แจ้งไปแก้เรื่องสรุปเรื่องนี้ยุติมีกา ร, รชดใช้อะไรตา่างๆทีนี้พอเริ่มเข้าโงการอาจารย์ซุยก็เริ่มไปสอนให้เข้าใจเราเข้าใจเขาเห็นภาพรวมของระบบอะไรตา่ตางๆเขาก็เพิ่งล่างมาว่าอาจารย์ตู้เอ่อข้อเออข้าเข้าโครงการเนี้ข้อล้องเรียนไม่ได้หายไปหรอกนะความผิดพลาดก็ยังมี ปีนี้ลูกน้องหนูก็ยังฉีดวัคซีนผิดเพราะฉะนั้นอย่าอยากให้ขออดู KPI นะคะว่ามาเข้าโครงการดีแล้วก็ผิดาพาดจะละดลงหรือไม่แต่ว่าประเด็นประเด็นที่มานถูกโพสต์ขึ้นมาก็คือแต่หนูจัดการเรื่องนี้ด้วยคุณภาพใจที่เปลี่ยนไปเข้าใจความแผนิรของเราพอออกก็เข้าใจความแผนิขรอออ ข, นของตัวเองอเข้าใจคนไ้ เข้าใจคนที่ฉีดผิดแล้วก็ไปจัด ก, การวิธีจัด ก, การก็เหมือนเดิมแหละแต่คุณภาพจะอีลี่นไปแล้วเธอก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันคือ KPI ของโครงการนี้แต่มันวัดยากแล้ก็วัดได้ยากก็ KPI ภายในอะค่ะย้อนับมา KPI ภายในโครงการนี้เป็นโครงการที่สปสชให้เงินพร้อมกับเพชนางนิดหน่อยว่า พี่ตู้ KPI มันคืออะไรข้อต้องเรียนมันจะลดไหม й? แล้วก็หลายคนก็ท้าทายตู้ก็พยายามตอบด้วยเรื่องเล่ตตาตอบด้วยธรรมะตอบด้วยอะไรซึ่งมันยากเหมือนกัน KPI คืออะไรครับอาจารย์ต้องไปตอบผู้บริหาร <autre> ใหญก็อย่างที่ที่คุณหมอได้พูดสักครูดนะว่าเนี่ยคุณภาพมันเปลี่ยนไป การการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเนี่ยซึ่งที่อยากจะดูได้ว่าถึงแม้ว่าข้อร้องเรียยังเท่าเดิมนะแต่ว่ามันตบลงด้วยดีมากขึ้นใน ต, ตรงเนี้การจบลงด้วยดีก็เพราะว่าท่าที่ที่ดีที่มีต่อกันแต่ตรงนี้เนี่ยมันเราจะวัดเป็นตัวเลขได้ไหมมาจะวัดต่นกันนะว่าคดีค่ข้อร้องเดียนนี่มันมันมันจบลงด้วยดีมันยืดเยื้อน้อยลงอะไ ดีแพทย์อาจารย์คิดถึงว่าเวลามันเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยแล้ถ้าตัวเราเนีรร่ยแสดงความเห็นใจในการขอโทษหรือว่าสำนึกผิดหรืออะไรก็แล้วแต่เ่ยมันจะทําให้ญาติหรือผู้ปวดเนี่ยเขารู้สึกดีกันมากขึ้นนะคะตัวอย่างที่แพทยอาจารย์เล่ากรณีเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ถูกสอนในกลุ่มแพทยแล้วก็พยาบาลด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อย่าไปเอ่ยปากขอโทษเพราะถ้าขอโทษ มันจะค่ะมันมันจะเป็นการสแสดงว่าเราคิดแล้วมันจะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้อ ง, องว่าถ้าหมอไม่รู้สึกว่าตัวเองทําผิดจะมาขอโทษทําไมนั่นสแสดงว่าหมอต้องรู้สึกว่าตัวเองทําผิดพลาดเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายจะเป็นคาประการศสิทธิ์ว่ารุ่นพี่หมอก็จะสอนน้องๆหมอว่าคุณไปพูดอะไรก็ได้นะแต่ถ้าพูดคำว่าขอโทษ นะคะอันนี้เป็นอย่างที่หนึ่งซึ่งเอ๊ะทุนเจเล่แล้วเราจะแสดงความเห็นใจ ย, ยังไงถ้าเราให้ผู้เขากลาขอโทษนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือว่ามันมันในในสังคมตอนนี้มันมีปัญหาแบบนี้เยอะมากเลยค่ะล่าสุดเนี่ยน้องชายด้วยเนี่ยขับรถชนคนที่กำลัาางข้ามถนนเราก็รู้สึกว่าเราต้องไปแสดงความเห็นอกเห็นใจในการไปเยี่ยมผิดถูกกันมากกันใช่ไหมคะไปแสดงความเห็นอกเห็ในใจอะไร่างเงี้ แต่ประกันก็จะบอกว่าคุณห้ามทำเลยเลยนะเดี๋ยวเรืรอ่งองรูปคดีเสียนะนะคะเดี๋ยวเราก็ไปรู้ว่าคุณจะผิด ก, ก่อนว่าใครผิด ใ, ใครถูกเพราะมันมีรถหลังอัดก๊ปี้มาแล้วรถมันไปชนโดนคนที่จลมาข้าอยู่เขาบอกว่าให้คดีมันจองก่อนแล้วคุณเนี่ยจะมีเห็นผลการตได้แต่เราก็บอกว่าเออถ้า เ, าเป็นงี้คนไข้นะเราคงรู้สึกว่ามันใจดำเออเขานอนอยู่ในไอซีสมองบวมเป็นตายเท่ากัน ไ อ, อ้คนไอ้คนชนมันมันไม่เห็นหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันมันก็ตัดสินใจา ย, ยากน้องก็บอกว่ามันไม่รู้จะทําตัวยังไงเพราะว่าในด้านหนึ่งคุณธรรมมันก็บอกว่าเฮ้ยเราควรไปเยี่ยมไปดูแลเขาแต่อีกด้านห น, นึ่งเนี่ยความกลัวเนี่ยที่ตมาเราต้องกลัวว่าเราจะถูกเป็นจําเลยต้องเข้าคุ้งเ่ดีชนคนแต่อะไรแบบนี้เราจะหมาแต่เนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้เรา ถึงตัวไม่ถูกค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือมันก็ได้ทําให้ทิ้งหน้าที่ตัวราช ก, การนะอะไรเงี้ยทำทำนี่นี่เท่าไหรเฉยเฉยเท่าไหร่ซึ่งมันดูเหมือนดีนะแต่ว่าลึกๆเราก็รู้สึกไม่สบายใจ น, นคะคะตรงนี้ก็เลยอยากให้ท่านอาจารย์ให้คำแนะนํนะาก่ยวกัจะทํายังไงกับกรณีแบบนี้นคะคะเพราะว่ามันก็เป็นการที่พอไปขอโทษแล้วก็เป็นเรื่องขึ้นมาเองน่ะค่ะเพราะมันก็จะไม่ใช่ยาของไทยทุกอย่างที่เขาจะ รู้สึกดีกับเราเวลาที่เราไปแสดงความเห็นใจหรือขอโทษเขาค่ะคือการขอโทษมันก็ไม่แสดงว่าเรารับผิดนะเราไม่ได้ขอโทษเฉพาะเมื่อเราทําผิดนะถึงแนะม้เราไม่ต้องผิดแต่ว่าความทุกข์ของเขาอาจจะเกี่ยวนองเกี่ยวน้องกับการกระทำของเราเราก็จะขอโทษได้นะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย แม้ยอมแล้วก็าผิดก็ไม่ขอโทษได้ฟังเรื่องครูตกหัวนักเรียนไหน ะ, ะครูบอกผมผิดรู้ว่าผิดแต่ไม่ขอโทษแต่ว่าอะไรอะผิดแต่ไม่ขอโทษอ่ะเพราะว่าเพื่อนซูว่าครูขอโทษนักเรียนไม่ได้ใช่ไหมคือมันพิษไหนทุกแล้วเราเนี่ยนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เราว่า ขอโทษแปลว่ารับผิดนะแม้กระทั่งรับผิดก็ไม่ขอโทษล้วข น, นี้มันมันมันเทียนหนักนะนะแต่จริงแล้วเนี่ยอขอโทษนี่ไม่ได้แปลว่ารับผิดก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนมันก็ว่าสมมุติว่าเราเราเรากำลังซ่อมไฟแล้วเราก็ตัดคัดเอาใช่ไหม แล้วอยูดีๆมีคนหนึ่งเนี่ยนะเขาเห็นเขาอาติเขาก็เดินขึ้นมาสร้างช่างเนี่ยก็เกิดตายขึ้นมาใช่ไหมอันนี้เราผิดหรือเปล่ามันมีเจตนานะฮะไม่มีใช่หมเพราะอยไรเหรอมันมันมันเป็นทังเอาแล้วก็เปิดบวกเขาตายอ่ะเราควขอโทษนะมขอโทษใช่ไหมเราไม่เราไม่ได้เจตนาไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้เราไม่ได้มีเจตนาใช่ไหม แต่เราทําไห้ก็แต่เรามีส่วนที่เตายอ่ะใช่มที่จริงถ้าเขาไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอามืามไปเยีเขาก็ไม่ตายใช่ไหมคือหรือเหมือนเรากำลังขับรถอยู่แล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยคนเมาขับรถตัดหน้าเดินขับตัดหน้ารถคนเขาตา ย, ยแน่นอนเราไม่ผิดใช่ไหมแต่ควรขอโทษ น, นะขอโทษยากขึ้นมาในความละทมานั้นควรนะ กาขอโทษไม่แปลว่าเราผิดหรือไม่แปลว่าเราอยอมรับผิดแต่เรามันหมายถึการว่าเรารับรู้ถึงความผิดของเขาและเราเห็เขาตายนะในสมาธวันเนี่ยออันที่หนึ่งเนี่ยการขอโทษเนี่ยแต่ว่าเรารับผิดนะแต่แน่นอนถ้าเราผิดแล้วคุณจะขอโทษด้วยนะแล้วก็การต่อมาเนี่ยก็คือ ในความคิดแบบนี้ในหมู่หมอเนี่ยว่าอย่าขอโทษเนี่ยมันมันก็เลยสร้างปัญหามากนะโอเคประโยชน์มันก็มีนะการต่อสู้ในทางในทางการในทางในในทางสาดเนี่ยนะแต่มันก็ทำให้เกิดปัญหามากมายทำให้เกิดคดีมากมายเพราะไม่ไม่ขอโทษก็อย่างตัวอย่างที่หมอคนนี้หมอนนี้ก็ไปขอโทษแม่ของเด็กที่ตายนะเพราะว่า แกอาจจะรู้นะว่าการทำงางนั้นเนี่ยมันเป็นช่องว่างให้เข้ามาฟ้องแต่แกรู้สึกว่านี่คือสิ่งหนึ่งสิ่ ง, ส, งสิ่งเดียวที่แกจะทำได้เพื่อช่วยเยียวยาแม่ของเด็กความสุขตองแกนี่ถึงแม่มากกว่าตัวเองใช่แล้วแตม่มาคิดว่าไอเราเราเราจะบอกว่าการขอโทษเนี่ยมันทำให้เกิดจุดอ่อนในทาง ในทางการสู้สู้คดีแต่เราจะไม่จะเราจะไม่นิอาจจะไม่ได้อาจจะไม่รู้เลยว่าไอการขอโทษนี่มันช่วยทําให้คดีต่างๆเนี่ยลดลงไปเยอะไอตรงนี้ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงมีแต่พูดว่าพอขอโทษแล้วเนี่ยทำให้เกิดจุ ด, จดอ่อนในการสู้คดีใช่ไหมแต่ไม่ได้มองอีกเนี่ยนึกว่าไอคดีหลายๆคดีเนี่ยมันลดลงเพราะการขอโทษนี่เลยใช่มั้นเราคิดว่าเนี่ยในในความเห็นเราก็ยังคิดว่านะอ่อในไทยจเป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ย เราอการที่เรารู้รู้สึกสำนึกในการขอโทษเนี่ยนะมันมันดีทั้งกับเขาและกับเราด้วยดีกับเขาคือเยียวยาเขาในระดับหนึ่งดีกับเราคือว่ามันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราได้ทําหน้าที่ข อ, ของของมนุษย์แล้วและสองเนี่ยอาจจะดีในแง่ที่ว่าทําให้เขาเห็นใจเราตัวไม่ฟ้องก็ได้อันนี้ <c oughs> โอะการที่สองแต่ว่าเอ คไม่ควรคิดเรื่องนี้นะไม่ควรคิดในเรื่องประการที่สองนะหมายถึว่าถ้าเราจะขอโทษเ้าเนี่ยก็ไม่อยากใจไม่ใช่เพราะหวังผลฮะเออ <ś led> คือตะมาเมื่อวันก่อนก็พูดกันะว่าเวลาทําดีใครนะให้ทําให้ทําดีมันก็เราเลี้งแมวนะแมวนี่เราให้แล้วกันมันไม่เคยแอฟเฟชเชียเราเลยมันไม่เคยพักดีกับเราเลยเ <ś led> ใช่ไหย ม, มีคนพูดว่าเนี่ย เมื่อเราให้อาหารหมาเนี่ยหมามันนึกว่าเราเป็นพระเจ้าแต่เราให้แอาหารแมวแมวมันนึกว่ามันเป็นพระเจ้าหมามไม่มีความพักดีแต่แมวนีม่มีความพักดีแต่เราก็ยังเลี้ยงแมวใช่ไหมเราก็ร่วมมันเราเลี้ยงมันมันไ็นหมาสักทีเลยอะแต่เราก็ยังเดินไปให้มันใช่ไหมเราเราเลี้ยงแมวต้องต้องต้องเราต้องเรียนรู้ว่าแมนมันไม่ไม่ไมมมพักดีกับเรามันไ ม, ไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณเราใช่ไหมช่วยคนก็นเหมือนกันนะ ก็ช่วยคนมันก็เลี้ยงแมวที่ว่าอย่าไปคิดว่าเขาจะมาตอบแทนบุญคุณของเราใช่ไหมเหมือนกับแมวนะแมวมันก็ไม่เคยพักดีคนที่ให้อาหารมันเล ย, เลยใช่ไหมแต่เราก็ยังเลี้ยงแมวทุกวันอนะ่ะงั้นทำดีก็ทําดีมันก็เลี้ยงแมวแล้วอกันนะอย่าทําดีมันก็เลี้ยงหมานะเขาทำดีเล <t> ี้ยงหมาเนี่เราคาดหวังว่ามันต้องพักดีกับเราหมาไม่พักดีแต่คนมันไม่พักดีเราก็เสียใจว่าทำไมทําดีแล้วก็ไม่สนับสนุนบุญุของเราทําไมเขาไม่ช่วยเราเราถ้าช่วยเขาเนี่ยคิดแบบนี้ทุกนะ ให้ให้คิดว่าเนี่ยทำดีกับใครให้รู้ว่าทําดีกับใครแล้วอะไอย่าลืมไปติดโซเดียมนะคะจงให้บริการผู้ป่วยเหมือนทำงาเนเแลบบี้ยงแก้ขออีกจริงๆต้องมีสองประเด็นประเด็นอีกอันหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์พูดเรื่องสังขาตั้งแต่ แ, บบแรกคิดว่าเมื่อวานนี้เราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่อง สังฆะหรือว่าชุมชนนักปฏิบัติ community of practice พอสมควรเนาะแต่ว่าวันนี้อยากมาเชื่อมโยงเรื่องของสังฆะกลุ่มเล็กๆของพวกเราเนี่ยกับเรื่องของการกระจายอำนาจหรืออำนาจร่วมสมมติว่าในองค์กรเนี่ยโรงพยาบาลกกฎเดเนี่ยโรงพยาบากไกฎดู อ, อันเทียบไปแล้วเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆพี่ได้ยินด้วยว่าโรงบกไกเนี่ยเาก็พยายามสร้างสังฆะของเขาขึ้น แต่ว่าสังขาเนี่ยเบื้องต้นอาจจะเป็นเรื่องมาดูแลตัวเองมาอะไรต่างแต่ว่าวันนี้ท่านอาจารย์พูดเรื่องปัญญาจากการปฏิบัติปัญญาจากผู้ปฏิบัติมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมที่หนึ่งคือมาสร้างความมัน่นคงภางนนสองก็คือมาแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อสร้างอหนาจร่วมให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่งข้อมูลข้อมูลนั้นเนี่ยให้มันขึ้นไปในระดับผู้บริหาร มันเป็นเรื่องโยงกันไหมสาขาจะเพือกปุนเรื่องนี้ได้ไหมตูจ้จำได้ว่าตุ้เคยตุเคยเรียนถามพระอาจารย์ทางอีเม ล, ลว่าเวทเวลาที่ทำงานอะไรดีๆเนี่ยตอนทำงานดีๆเนี่ยตูจะรู้สึกดีแล้วตก็ได้ความรู้ชุดหนึ่งแต่มันมีอันหนึ่งที่ตูตจะรู้สึกว่าทำไม่ค่อยได้ได้เก่งก็คือมันต้องไปเชื่อมโยงกับผู้บริหารเพื่อให้มันมีอำ น, นาจเหนือแล้วก็ ให้ความดีอยว่าชุดความรูด้ดีๆเนี่ยมันจะได้สื่อกระจายไปต้องจะทําเรื่องเนี้ยได้ไม่ค่อยสําเร็จ ท, ทําทีไรก็จะรู้สึกเหนื่อยเฟลลอาจารย์บอกว่าให้ทํางานแนวร่าพี่เยอะขึ้นหาคนที่มีพลังฉันทา่าร่วมกันก็ก็ทําอยู่นะคะแต่จริงสุดท้ายจริงเนี่ยต้อคิดว่าโจทย์ของการเชื่อมโยงกับระดับผู้บริหารเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยาก ทำยังไงคะให้พลัแนวร่ามันขึ้นไปเชื่อมโยงกับแนวดีได้คืออำนาจเหนือกับอำนาจร่วมมันชนกันตมาก็ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีประสบการณ์นะแต่แต่ชื่อว่าถ้ามันการการสร้างการแชร์ของเราในระดับแนวร่ามเนี่ยมัน มันมีพลังแล้วก็มันมีมันมีผลสำลีขึ้นนะมนมีผลสำลีขึ้นเนี่ยทำาว่ามันก็สามารถจะไปนะดึงให้เขามาสนใจได้น ะ, ะเพราะว่าผู้บริหารนะระดับบนเนี่ยเขาก็จะสนใจเรื่องผลสำล์มากกว่านะซึ่งอาจจะรวมเป็น KPI และต่างๆด้วยนะซึ่งหาว่าเราสามารถที่ทำให้อนะ่การ การทำการสร้างเครือข่ายเนี่ยมันไม่เพียาแต่ทให้เกิดความความสุขทําให้เกิดความเป็นอันเดียวกันแต่ว่ามันมีความสําเร็จนะที่มาแสดงออกมานะเป็นเป็นเป็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยแต่มาว่ามันก็จะเริ่มแตกตาเขาเพราะว่าเขาก็เขามีภาษาของเขานะเราก็ต้องพูดภาษาของเขาถ้าเราจะทําให้เขาสนใจ และภาษาขเขาเนี่ยก็คือภาษา KPI หรือว่ามาดไอตัวเลขสถิติเนี่ยนะซึ่งนี้ตราหนูที่ว่าไอ้ต้องทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ไม่ใช่แค่ซอฟต์ซอฟท์สาแล้วต้เป็นฮาร์ดสายที่ทำเนี่ยก็คือมีการวิจัยที่ทำให้มันเป็นเรื่องของตัวเลขที่ชัดเจนเรื่องแบบที่พอถ้าเป็นเรื่องซอฟต์ซอฟเนี่ยพวกผู้บริหารตอ่นสนใจนะประเทที่มัน มันเรื่องของคุณธรรมเรื่องของการมาทรเลยนะี่นะนะแต่ว่าเพราะว่าส่วนหึงมันมันอีกส่เพราะเขาไม่มีไม่มีความเชื่อนี่เรื่องนั้นอีกส่วนนึงเพราะว่ามันมันแปลเป็นเป็นกล่องไม่ได้นะเป็นชื่อเสียงเป็นอะไรไม่ได้เป็นผลงานไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามทำให้มันเป็นเรื่องของอ่าจากจากซอฟต์ไซส์ให้มันเป็นฮาร์ดไซส์นะมันก็ สามารถจะดดีให้เขามาสนใจได้เพราะในแง่นี้มาที่ว่าเรื่อง ก, การการทําให้มันเป็นเป็นงานวิจัยที่เป็นระบบสักหน่อยเนี่ยจะช่วยได้ที่จริง น, น, นี้เนี่ยก็ ก, ก็ก็เป็นสิ่งที่ผู้รู้หลายคนก็พยายามทำนะเช่นเขาพยายามเขาเขายากจะมอธิบายว่าการที่คนเราไม่เครียดเนี่ยมันมีประโยชน์ทางทางการแพทย์อย่างไรบ้าง การที่คนเรามีสติเนี่ยมันช่วยลดความเจ็บป่วยยังไงบ้างมันทำให้เรียนดียังไงบ้างเนี่ยนะก็พูดกันมาเท่าไหร่เท่าไหร่คนไม่สนใจจนกว่ามันมีางานวิจัยว่าโอ้เด็กชั้นมอปห้าป6กเขาเข า, เขาทาสมาธิเวลา3ามครั้งครั้งละยนาทีประมาณ4เดือนปรากฏว่าตัวเลขคะแนนของเด็กเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นดีดีกว่ากลุ่มอื่นเนี่ยเอร์เซ พ อ, อีื่อว่าหมูคมก็ตกสนใจนะใช่ไหมอันนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นงานวิจัยที่เขเึ้นขประกาศเมื่อประาสมสบเดือนก่อน น, นคนก็เติดให่ขนะึนว่าเอ้ยโ อ, โอ้โหสติีมมันไม่ไม่ไม่เพียงแต่ช่วยทำให้ใจสบายผ่อนคลายนะการเรียนก็ดีขึ้นไม่มีผลต่อเป็นเรื่อ cognitive skill ด้วยใช่ไมมันไม่ใช่แค่สบายหรือรีดัก่างเดียวคนก็สนใจขึ้นมาเลยว่าผู้บริหารเพราะว่าเด็กมีความสุขเนี่ยอาจจะไม่ช่วยทาให ได้ได้ได้โปรโมทนะจนกว่าเด็กจะเรียนดีขึ้นนะให้นัฐบาลเชื่อ็ต้องทำให้มันเป็นเรื่องของให้มันเป็นพาสซ้ายให้ได้นะคือคือมีตัวเลขรองรับอะไรเนี้ย้ำมันจะมีอีกเปเปอร์นึงออกมาค่ะทำโดยคณะจิตตปัญญาครูแพทก็จริงจร์ของพระอาจารย์นะคะที่านพูดเกี่ยวกับเรื่องยิงเราก็เลย พยายามที่จะไป explore เรื่องของสติกับอ e ิ e ่งของครูแพทย์แล้วก็เรื่องของจุ๋มกำลังเขียนเรื่องทา Formative Learning ในครูแพทย์ว่ามันทำฟอร์มจากจาการเบสของสติการเจริญสติอะไรแบบนั้นก็รู้สึกจะขายได้ดีค่ะเห็นด้วยค่ะว่างานวิชย จ, จะเป็นตัวที่ขายได้อืม ทีเหมือนแย่งสิ่งคนอื่นมีใครอยากจะถามคําถามไหมคะถ้าไม่มีที่จะถามคําถามพี่พี่ตรวจทดไ ว, วอุปกรณ์นี้ไหมค ะ, ะอุปกรณ์มักจะมีคําถามอย่หรือยูกะเดี๋ยวจใจเองใจสกัดวันนี้ไม่เชิญคำถามแต่ว่า ที่พระาจารบรรยายเร่งญญ น, นี้มันโดนพอดีเพราะว่าช่ว ง, ลงหลังๆมาเนี่ยหมอบ่นกันเยอะเรื่องพฤติกรรมของคนไข้คือ <c oughs> มีเสียคือหาด้วยใช่ในนี้หมอน้อยนะเขบอกคือหมอกินคือมันจะมีห้องลายของผมหมอที่โรงพยาบาลมหาล่า ซึ่งหอมอห้องอาหารเขาจะแบบเวลาเราทรา บ, บ <c oughs> <c oughs> แต่เขาจะมีแต่เ้นือจะมีเสียงบ่นไปเรื่อยๆประมาณว่ า, าออกินเหล้ามาสูบบุหรี่มาแล้วก็ป่วยเป็นภารหนักกับเขาเป็นภาระกับโรงพยาบาลเป็นภาระกับกวับามาขอประเทศชาติจะต้องมีสาสิบาทมารักษาเขาอะ่รทำไมทําไมเราไม่เก็บตังค์คนพวกนี้เพราะว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วเขาเลือกเองนะครมีมีคําพูดแบบนี้ออกมา สามสี่ครั้งที่ผมสังเกตได้ในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาใจนั่นนึกขันหนึ่งเลยว่ายจะเข้าไปตอบแต่ยังนึกคําตอบจริงๆไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคุยเทพเราต้องเทพเหมือนไก่ <c oughs> วันนี้ก็ก็แต่จริงๆส่วนหนึ่งก็คืองานที่เราทําเนี่ยมันตอบได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราก็พาเด็กศแพทย์ปีเด็กๆนะเขายังไม่เป็นเทพเท่ายไหร่เขายังเป็นอคนเป็นมนุษย์ทงมากอยู่ เราก็พาเข้าลงชุมชนแล้วก็ให้เขาหาปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัจจัยต่างๆแล้วก็เอามาโยงกันเราใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเว็บออฟคอสเซชันคือเป็นเหมือนกับเหตุปัจจัยอะไรต่างๆที่มันโยงใยกันที่ที่เราสังเกตเห็นได้ในชุมชนแล้วเด็กเขาก็จะเห็นเองเลยว่าอ๋อเรื่องนี้มันสำคัญกับเรื่องนี้เรื่องนี้มันสำคัญกับเรื่องนี้มันโย ก, กันไปมานะเป็นมันก็อินเตอร์บีนนะครับและพอเราเปลี่ยนเรื่องนงึงเนี่ย ลื่นมันจะขยับตามอะไรเงี้ยครับมันก็จะเหานอันนี้คือในระดับประชากรนะครับส่วนในระดับเล็กลองมาคือระดับบุคคลเนี่ยก็คล้า้กันเราก็พาทันสัษาแพทย์ไปโรงพยาบาลเขาก็ไปสัมภาษณ์ชาว บ, บ้านแล้วก็มาเล่ากันก็เพราะว่ามีอยู่บ้านนึงในทักสัตวแพทย์ปีาสองนะฮะมีอยู่บ้านหนึงเขาบอกว่ามีคนป่วยในบ้านเนี่ยที่เป็นเกิดจากโรคตับเกิดจากเอ่อเล่าเนี่ยประมาณห้าหกคนในบ้านเราก็ถามว่า เราถามเขาว่าแล้วถ้าคุณหมอเป็นเด็กที่เกิดบ้านเนี่ยคุณหมอว่ามีโอกาสที่คุณหมอจะตื่นกล่าไหมเขาก็เก็ตขึ้นมาว่าเออมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยที่ตัวภายในของคนแต่ละคนเป็นอย่างเดียวแต่มันเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่มันหล่อหลอมไม่ชอบทําแบบนั้นวันนี้พระอาจารย์พูดมาตรงประเด็นพอดีว่าที่ที่ที่ที่ติดค้างอยู่ในใจว่ามันก็จะมีปัใจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในใ น, นะครับแล้วก็รู้สึก รู้สึกดีใจที่มันอ๋อเรามีพัฒนาดิโด้เลยพวกคุเจ้าก็พูดเรื่องนี้เอาไว้ก็จะได้เอ็นดีผลเป็นีเป็นผลที่เราจะเป็นเหตุผลเป็นอ้างแต่ทั้งหลายว่าว่ามันมีเหตุผลดีๆนะครับในการที่จะบอกว่าะเหตุปัจจัยพฤติกรรมของคนมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างครับขอบคุณครับเรื่องเราเนี่ยมันมีการวิจัยพราะว่าเนี่ยเม่ว่าอยู่จุดไหนของประเทศเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่นะ สามารถจะเข้าถึงเล่าได้ภายในเจ็ดนาที<ม>ใชหมร้านหนังสือในหาใช่เวลาครึ่งชั่วโมงนะหนังสือเล่าในเจดนาทีที่นี่เนี่ยไม่ถึงเจ็ดนาทีทาาา น, นาทีมอเตอร์ไซไปสองนาทีแล้วนี่นะใอันนี้เป็นงานวิจัยเป็นงานวิจัย<ม>แต่จำไม่ได้นะว่าว่ า, าใครวิจัยนะเครื่องสสที่ยคงมีตัวเลอย่งนี้พเพราะแย่นี้มันมีมันมีเยอะมากเพราะถ้าในสิ่งแวดลอมแบบเนี้ยมันทําให้ คนติดเล่าได้ง่ายใช่ไหมถ้าทําให้เล่าเนี่ยเข้าถึงสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยนับว่าคนกินเล่าก็จะน้อยกวอีกอันนึงเนี่ยก็มีเรื่องเล่านะอ่ออันนี้จําชื่อไม่ได้ที่อยู่ที่เป็นที่เชียงใหม่หมอหมออะหมอหมอแอร์หมออะหมอแก่เหล่าเนี่ยแกเจอคนเข้านี่เป็น โรคสุราเรื้หลังแล้วก็แกก็แย่มากร่างแกก็แย่แล้วหมอก็ว่าอย่ากินเหล้าอย่ากินเหล้านะแล้วแกก็กลับมาด้วยโรคที่ด้วยการที่หนักทุกทีนะแกก็ไม่หมอแตงแล้วไม่เข้าใจทําไมป่วยหนักนี้ยังกินเหล้าอีกนะทำไมไม่ยอมเลิกเหล้าทุกทีแกก็บอกว่าเนี่ยก็พยายามเลิกเหล้านะพยายามเลิกเต็มที่เลยแต่มันเลิกไม่ได้ก็เลยกุ้มใจเลยต้องกินเหล้าดับความกุ้มใจที่เลิกเหล้าไม่ได้ นี่ไหนงใจนะคือคนคนคนที่ติดล้ามันกุ้งใจเรื่องอะไรมักินเหล้าเหมือนกันแม้กทั่งกุ้งใจเขากินเหล้าเลิกเหล้าแล้วก็กินนะคือมันขนาดนี้แล้วเนี่ยจริงๆทางสสสเขาก็ผมเข้าใจว่าเขาเห็ความสำคัญของปัใจจัยเรื่องของสังคมที่อาจารย์พูดถึงนี้มากขึ้นนะแล้วช่วงหลังเวลาทีคนจะลองเห็นครับก็จะพูดว่า ไปนให้กําลังใจกันในช่วงข้อวันษาเพื่อให้เลิกเล่าได้อะไรอย่างเงี้แปบลบว่ามันก็มีมิติของเรื่องของคนเล่าข่าวน้นมัเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แค่ตัวตัวคนไข้หรือเจ้าของอย่างเดียวขอบคุณค่ะพี่พี่นะส่วนตัวถ้าพี่มองตรงเนี้ยพี่ว่าคนนะมันไม่ติดอะไรก็ติดอะไรทักอย่างเทพทั้งหลายในห้องนะนั่นนึกว่าติดอะไรทุกอย่างแล้วมันไปตัดสินให้คนติดล่าอะไรแบบ อะไรแบบนั้นใช่ใช่จไม่ออกร่างกายกันอะไรแบบนั้นใช่ใช่จะหมดเวลาเนาะมีใครถ้าไม่ได้ถามจะรู้สึกไม่ดีไหมคะจริงๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนาะเวลาก็ได้นะพี่อยากพี่อยากพี่ตุ้งเนี่ยมาเล่าเรื่องเก้าอี้สขาพี่ชอบเรื่องเก้าอี้สขามาก แต่ว่าเออแบบไ ม, ไม่คือไม่ใช่ตอนนี้ไงพี่แค่แบบ address ทิ้งไว้ว่าเออบทความเรื่องโต๊อี้สามขาของตู้เมียมันมันเป็นอะไรบางอย่างที่จะช่วยช่วยสรุปการเรียนรู้วันนี้ด้ว่าไอ้ตอนนี้ด้วยนะคะอย่ตอนนี้เรากถามอาจารย์ก่อนพ้องบอกอาจารย์อยากฟังยากคิดแทนก็อยากฟัง <c oughs> อยากฟังค่ะ กิ่งพวยความเหรอเขาส่งมาแล้วอยนอาจารย์แยกฟังมาคุ้มมาเลยอือคือพี่กำลังเรื่องเวลาต้องเขียนอันนี้ดีมากค่ะเดี๋ยวญาลงที่ไหนเขียนในเฟซอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เดี๋ยวพี่จะเอามาลงหนังสือของจิตปัญญาคูแพทย์เดี๋ยวอาจารย์ได้อ่านแน่ ก็เป็นงานอบรมสามเดือนแล้วก็เดือนแรกเนี่ยเขาก็ทํากระบวนการเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจแพทเทิร์นตัวเองส่วนหนึ่งก็เป็นคล้ายๆ ม, มิติของการพัฒนาด้วยการเข้าใจเข้าใจว่าตัวเราเป็นอย่างเนี้ยเวลาเราอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่ค่อยปลอดภัยเราชอบแอคชั่นอย่างเนี้ยซึ่งมันแตกปมากเลยต้งก็มีแพทเทิร์นอย่างหนึ่งแต่เราต้องก็เห็นตัวเองมาว่าเราเป็นอย่างนี้เหรอ มันเห็นตัวเหมือนกับพวกเราเมื่อวานน้เราเห็นว่าเราเป็นคนขี้เบื่อพอเวลาถ้าชั่วโมงแบบเราจะตายที่ได้อะไรเนี่ยค่ะเห็นตัวเองส่วนที่สองเนี่ยพอเดือนที่สองเนี่ยเขาก็ให้เราเริ่มปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคือในระหว่างอันแรกเนี่ยมันก็มีการปฏิสัมพันธ์กับอื่นนะคะแต่มันโฟกัสที่ตัวเองอันที่สองเนี่ยมันก็เริ่มปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมันก็เริ่มเรียนรู้ว่าสมมุตินะคะยืนกันคนละฝ้าคุยกับคุณจทย์เย็นคนละฝ้า ตุ้มอยากให้คนจุ๋มเข้ามาหาตุ้มเขาก็ทอะไรไม่ได้ตุค้คนจุ๋มคะแต่ถ้าคุณจุ๋มไม่รู้สึกว่าตุ้มอยากให้อาหารที่คนจุ๋มไม่ต้องมาเขีย่ยเนี้ยมันเป็นปฏิกิริยาของเราเราคนอื่นมันเรียนรู้มากเลยว่าเราคิดว่าปกติใครเรียกก็มีดีๆแล้วก็ไปแต่ถ้าใครแข็งแข็งเนี้ยเราก็จะแบบ um, อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเพืนตุกคนหนึงเหมือนุ้คนน่ารักมากเป็นคนที่เพื่อนๆทุกคนรู้สึกว่าคนนี้น่ารักที่สุดเขาเรียกเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยแล้วเนคนนั้นีไมา นี่หลก็ไม่มาแล้วก็ไแต่งใจะว่าเอ๊คนคนเนี้ยก็น่ารักนะเพื่อนคนนั้นเนี่ยมาเฉลยกว่าเขาไม่มาเพราะเขารู้สึกว่าอาการที่เรียกมันเหมนเรียกหมา <c oughs> ซึ่งมันไม่ได้เจกันาเพื่อทุกคนนี้เขาเป็นคนเรียกหมาแล้วเวลาเขามันเป็นปฏิกิริยาที่เราไม่รู้ตัวเราคิดว่าเราก็ทําดีที่สุดแล้วแต่เราลืมไปว่าไอ้เที่เราทำดีที่สุดแล้วคนอื่นเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันดี มันก็ต้องเปิดใจเรียนรู้มากเลยว่าเอ๊แล้วอย่างคุณจุกเนี่ยเขาชอบอะไรแล้วก็มีอีกทางเป็นตุ้มพาน้องไปเองเนี่ยก็ขอให้เรียกน้องมาแล้วเพื่อนตุ้มคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อบอกว่าทำกิจกรรมเนี่เขาชอบมากเพราะทำเท่าไหร่ก็น้องไม่มาแล้วมันเริ่มได้รู้าเมื่าเราไม่รู้จักน้อ ง, งเลยเขาไม่รู้ไม่เปิดครับเราก็จะมีพัฒนของเราแล้วเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นที่สุดละอันเนี้ยก็เป็นการเรียนรู้คนอืน่น แล้วก็ครั้งที่3าเนี่ยเขาก็ให้เราเริ่มเรียนรู้ข้างนอกคือไม่ใช่เราและเพื่อนแต่มันเริ่มที่จะมันจะใช้คิดๆหน่อยค่ะเขาจะถามว่าการคิดว่าอะไรคือระบบอย่างวันนี้อาจารย์พูดเรื่องระบบอะไรคือระบบระบบมันมีตัวเราไหมหรือว่าเขายกตัวอย่างนาฬิกาพวบกระบบเนี่ยมันไหนว่าถ้าเอาสินได้สิ่งหนึ่งออกมาแล้วมันทำงานไม่ได้สมมุินาฬิกาเนี่ยเอาเข็มออกมา อันนี้ก็ไม่ใช่นานิการเาถาวออกมาไม่ใช่นานิกาถ้าอะไรที่มันถึงในเรื่อแนแล้วก็เป็นแบบผมแล้วเขาก็สรุปคือท้ายสุดท้ายๆเนี่ยเขาบอกว่ า, ามันมีทั้งความคิดของฝรั่งด้วยว่าเวลาเราจะทําอะไรที่มันสเปรดเนี่ยค่ะมันอาศัยสามเรื่องอา ศ, าศาัยการเข้าใจตัวเราว่าเราทําอะไรเราเราแจวเรื่องไหนแล้วเราหวยเรื่องไหนเรื่องไหนเราไม่รู้เลยปกติเราก็ไม่ค่อยรู้นะ หรือบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าเราแฉลเรื่องนี้ก็อาศัยเรื่องนี้เรื่องหนึ่งคือรู้จักตัวเราอยากครบถวนมากพอแต่บางทีเราก็รู้จักตัวเราไม่ครบหรอกเราก็อาศัยคนอื่นเพื่อจะรู้จักตัวเราด้วยแล้วเราก็ต้องจับอีกฝั่งด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าเราว่าเราทําดีที่สุดแล้วปรากว่าเขาไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเราเนี่ยมันต้องอาศัยคนอื่นด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าเราก็ว่าเราทําดีแล้ว เราก็ทำกับเพื่อนดีแล้วเราก็ทำกับเพื่อนรี่ทำงานเราดีแล้วส น, นุกแไแต่ว่าระบบข้างนอกอะมันเป็นยังไงบางทีมันมันไม่พอเหตุปรจจัยยังไม่พร้อมแล้วเขาก็จะสอนในรายละเอียดอีกค่ะว่าบางทีมันมีจุดคันนะที่เรียกว่าจุดคันเล็กๆที่ทำน้อยแต่ได้มากแต่บางทีเนี่ยงานที่เราทำมันยังไม่ถึงจุดคันนะมันก็ต้องสั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ แล้วก็คือมันก็มันก็ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วเวลา ง, งานเสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยมันอาศัยสามขาบางขาเราก็มีคาวเวอร์เยอะบางขาเราก็มีคาวเวอร์น้อยแต่ว่ามันให้เห็นมากเลยค่ะสมหรับตุ้งเนี่มันนี้เห็นมากเลยว่าด้านนึ่งก็เข้า อ, อกเข้าใจในแม้กระทั่งการเรื่องจวานระบบก็จะทำอะไรักอยางเวลาเราจะทําอะไรเราก็มักจะอยากให้มันสําเร็จอะเช่นนะคะมันไม่มีใครแบบมันจะทําอะไรว่า ลบเหลวไปก็ได้อะไรเงี้ยได้ยังที่มันสําเร็จแต่ว่าพอเราคิดไม่ครบเนี่ยมันจะทุกข์ทุกข์ง่ายมากทุกข์ง่ายมากพอเรียนรู้เรื่องเนี้ยมันก็มันก็เข้าใจค่ะเขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันก็มาจาบพระอาจารย์ค่ะนี่ยเรื่องไหนเขาบอกว่าเรื่องนี้มาจากพระอาจารย์อันไหนเรื่องเก้าอีสามขาเนี่ยเขาบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นคนบอกว่าต้องรู้ตัวเองต้องรู้คนอื่นแต่ก็ต้องรู้ระบบด้วย เขาก็เลยมาอีสานลูกเสดชอบเก็บท่านเก็บนี่้วก็บอกได้มาจป้านเอาไว้เอาไว้คืนแล้วท่านบอกใช่เหรอป้าไปส้ำใกล้ำขาเนี่เงินของปีเตอร์สงก่อะาะเปาษาของเขาเออพอมแล้ว Thank <laughs> you.